ตอนได้ยินเสียงว่าฟัางฟังเนี่ยคือจมือนจะเยอะกว่านี้นะฮ <c oughs> ะมันเที่ยงคืนแล้วเนี่ยใจ่จริงอาจารย์สงบท่านไม่ค่อยสบายด้วยถ้าจะพักไปก็เหมือนมีอะไรมาข้ําคอเชียแล้ว เพิ่นจะนิมนต์ครูบาอาจารย์องนั้นหมดองนั้นต่อองนั้นหมดองนั้นต่อองนั้นหมดองนั้นต่ อ, อนั้นท่านไปพักเพราะท่านไม่ค่อยสบายอย่างนี้ก็ได้เราก็ว่าจะไปพักแล้วเพ่อบอกว่าเพิ่นไม่ค่อยสบาย งาน่วนมาตลอดงานที่เราเห็นนี่เหมือนกับเนรมิตเอาจึงได้ยินครูบาอาจารย์หลายๆองค์พูดว่าโอ้ยเหมือนเนรมิตเหมือนเนรมิตเราก็เลยเอาคำนี้มาพูดตามเนี่ย <c oughs> วันนี้สายท่านจริงจริงจังเด็ดขาด ถ้าเพิ่นบอกว่าองค์นั้นหนึ่งองค์นั้นหนึ่งองค์นั้นหนึ่งองค์นั้นหนึ่งผมไปพักก่อนซะก่อนเพิงพ่งกับเพิ่งก็ย่อมทําได้ก็ย่อมไปได้ก็เหมาะสมแล้วเป็นหลักสําหรับพวกเราได้มาพึ่งพาอาศัยอยู่ตรงนี้เราพูดได้เต็มปากว่าเป็นแหล่งทำ ตรงที่มาทุกครั้งก็ไม่พลาดตรงไหนพูดเป่าประสงค์ที่เพิ่นแสดเงเจตจำนงก็มีความประสงค์อย่างนั้นต้องไห้ต้องการให้ตรงนี้เป็นลานธรรม ให้ครูบาอาจารย์ที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนมีโอกาสเข้าออกมาบอกอัดบอกทำรรขึ้นชื่อว่าทรรมก็ถือว่าสรุปยอดมาที่บุญทั้งหมดก็แล้วกัน ท <c oughs> ายาทอินท่านก็เมตตาทั้งชั่วโมงยี่สิบกว่านาทีเราฟังได้สาระหลายรสหลายชาติทายา์สุธรรมท่านก็เมตตาทั้งชั่วโมงกับห้านาทีปกติทายาทสุธรรมท่านจะไม่พูดยาวขนาดนี้จะรู้สึกท่านกระทุงเอากระทุ่งเอานะหลดุดคงจะหลุดร่วงไปเยอะนะ <c oughs> ยังเหลือจานสามดงนี้แกเงเผ็ดคอยมาใส่ตอนงงนอนสับประงบหน้าสับประงบหลังอ <c oughs> เอานะมาตั้งใจอีกครั้งหนึ่งอีกรอบหนึ่ง <c oughs> ยังมีหลวงพ่อสลีอีคงจะสว่างพอดีมากเนี่ยขาดนิดหน่อยก็อาจารย์สงบเพิ่มเม า, เาใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ไายครูก่อน <c oughs> นะโมตัสสะ พควะโตอรหะโตสมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพรวะโตอรหะโตสมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพรวะโตอรหะโตสมมาสัมพุทธะสุขาสังขสัสมาคี <c oughs> วันนี้เนื่องในวันสามัคคีของสองฆ์เป็นวันสำคัญอยู่นะพูดได้ว่าเป็นวันประวัติศาสตร์ของวันนี้เราเห็นกิจกรรมของพระสงฆ์ท่านทำงานวันนี้ไม่ยากไม่ง่ายสองชั่วโมง สวดถอนอันนี้เป็นหลักเป็นหลักที่พระพุทธเจ้าท่านทรงวางเอาไว้การที่จะผูกพัฏฐสีมาให้เป็นแดนเอกเทศคือทำอย่างนี้แหละแดนเอกเทศที่เรียกว่าสีมาสีมาเป็นแดนเอกเทศ เป็นแดนเอกเทศจากอาณาจักรถ้าเราจะเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเขตพุทธิจักรแดนพุทธิจักรแดนอาณาจักรอาณาจักรหมายถึงการปกครองของทางบ้านเมืองพุทธิจักรก็คือเขตส่วนพิเศษของพระศาสนาซึ่งมีมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าท่านทรงประทานเอาไว้ มีการขอสร้างวัดขอตั้งวัดขอวิสุงคามศรีมาวิสุงคามศรีมานี่คื อ, คอผ่านการขอจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อพร้อมแล้วพระองค์ก็จะมีพระบรมราชะองค์การโปรดกล้าวพระราชทานเขตวิสุงคามศรีมา แล้วแต่เราจะระบุเอาเท่าไหร่จะมีกำหนดใหญ่สูงสุด40เมตรคูณ80เมตรที่วัดทำเต่าเราเอาหมดเลยเท่ากับสองไร่นี <c oughs> ่เป็นเขตวิสุงคามซีมาวิสุงค่วิสุงคะก็คือเป็นแดนเอกเทศที่พระเจ้าเป็นดินย่อมให้ เป็นแดนเอ ก, กเทศของระศาสนาสหรับธรรมสังฆกรรมการที่ยกให้ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับสังฆกรรมประสงค์ธรรมสังฆกรรมคําว่าสังฆกรรมก็คือกิจของสงฆ์กิจของสงฆ์แปลว่าสังฆกรรมตอนนี้เราพูดเรื่องงานก่อนพ <c oughs> ระพูทธถึงเรื่องงานที่เราเกี่ยวข้องก่อน เช่นยาบวชน่านก็เป็นสังฆกรรมรับกระถินก็เป็นสังฆกรรมเนี่ยสวนปฏิโมกข์เนี่ยเป็นสังฆกรรมสวนปริวาสสวนอภิธานสวนอะไรเท่าที่มีเป็นสังฆกรรมสังฆกรรมเหล่านี้จะต้องทำในเขตศีมาเพราะฉะนั้นวันนี้จึงมีการสวดสวดถอนตาม ระเบียบที่พระพุทธเจ้าทรงวางเอาไว้จะสมุติสีมาขึ้นตรงไหนจะต้องมีการสวดถอนก่อนเพราะไม่แน่ว่าดินแดนตรงนี้จะเคยมีการสมุติเป็นสีมามาตั้งแต่พระพุทธเจ้าองค์ไหนก็ได้จึงมีหลักว่าจะสมุติต้องมีการสวดถอนก่อนถ้าหากไปสมุติทับสีมาเก่า เป็นสีมาวิบัตในในพระวินัยท่านพูดไปงั้นถ้าไปสวดสมมติทับสีมาเก่าเป็นสีมาวิบัตไปทำสังฆกรรมไม่ได้ทำสังฆกรรมไม่บริสุทธิ์เป็นสีมาคาบเกี่ยวเป็นสีมาวิบัตเพราะฉะนั้นเลยเป็นธรรมเนียมว่าจะสมมติขึ้นตรงไหนจะต้องมีการสวดถอนก่อน เขตที่ท่านสมมุติก็คือเขตสมานสังวาสเขตสามัคคีของสงฆ์เขตที่ท่านสวดสมมุติน่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่เราสวดถอนนี่เราก็สวดถอนเขตสมานสังวาสเขตสมานสีมาสังวาสเขตเประเสริฐจักรไตจีวร เขตประสิทธิ์ากไตรคีวลหมายความว่าเรานั่งอยู่ตรงนี้เราวางคีวรไว้ตรงมุมน้นซึ่งอยู่ในเขตที่เราสวดสมมุติเขตประสิทธิ์จากไตรคีวรได้เสร็จแล้วสว่างสว่างตรงนี้เราไม่ได้ไปสว่างตรงผ้าที่เราวางเอาไว้ผ้าไม่ขาดราตรีมันมีข้อข้อหนึ่งวินัยผ้าขาดราตรีถ้าสว่างโดยที่ผ้า สามผืนไม่ได้อยู่กับเนื้อประตัวขาดผ้าครองขาดผ้าผ้าขาดราตรีแต่ถ้าหาสมมติเป็นเขตประสิทจากไตรจีวรได้ไม่ขาดราตรีมีการสวดถอนเขตประสิทจากไตรจีวรมีการสวดถอนอเขตสมานสังวาสก็ว่าเขตสมานสังวาสเนี่ยพิสุจะต้องมาทําสังฆกรรม ต้องทำให้ได้หัตถบาตต้องนั่งให้ได้หัตถบาตเพราะฉะนั้นอย่างที่เราเห็นพระสงฆ์ท่านจัดแถววันนี้เพื่อไม่ให้มันขาดหัตถบาตถ้าอ้างช่วงเกินไปเอื้อมมือไม่ถึงถือว่าขาดหัตถบาตตรงนั้นถือว่าไม่ผ่านการสวดถอนจึงมีการพิธีวิสันเราเห็นวันนี้อันนี้คือเป็นพิธีของสองฆ์ที่ท่านทำเราไม่ค่อยได้ไปร่วมงาน แบบนี้บ่อยนักเลยไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ก็เลยมาถามอาจารย์องค์หนึ่งที่ท่านเป็นวิทยากรพาพาว่าอาจารย์ส่วนนี้หมายถึงส่วนอะไรถอนอะไรท่านก็บอกว่าส่วนถอนส่วนถอนสีมาสมานสังวาส่วนถอนเขตพระศิจักตรีหีบอนสล้วเวลาจะเราจะมาสมมุติมาทันิมิตเอ่ยมาอะไรเท่าไรเอ่ยตามหลัง เราจะเราจะมีการสมมุติอีกทีหนึ่งพอสมมติแล้วเนี่ยอยู่ตรงนี้แหละถึงแม้ว่าตรงนี้จะเป็นที่ใกล้ทะเลหรือใกล้แม่น้ําเงี้ยถูกพัดพังไปแผ่นดินตรงนี้ถูกพัดพังไปกลายเป็นกระแสน้ําอยู่ท่ามกลางมันจะเป็นเขตสมมติลึกไปเป็นยอดยอนะถันว่างั้นนะลึกไปเป็นยอดยอด มันจะขาดเป็นห้วยลึกไปเท่าไหร่ก็แล้วแต่เขตสมมติตรงนี้ยังมีอยู่เนี่ยยังมีอยู่จะหมดไปได้ต่อเมื่อสองสวดถอนถ้าสงยังไม่สวดถอนจะไม่หมดไปวันนี้เราถือว่าเราได้ทำงานซึ่งเป็นหลักของพระพุทธ ศ, ศาสนาเป็นเขตสามัคคีของสอง ความสามัคคีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสงฆ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพุทธบริษัทภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกานำมาซึ่งความสุขความสามัคคีนำมาซึ่งความสุขเราพูดถึงความสามัคคีมันน้อมไปได้ทั้งหมดน้อมไปเกี่ยวกับเรื่องหมู่เนี่ยหมู่มีความสามัคคีพร้อมต่อกันอยู่เย็นเป็นสุข ไม่ขัดไม่คล่องไม่กีดขวางไม่เกะกะระรานอไม่ขัดข้องหัวใจซึ่งกันและกันอยู่เย็นเป็นสุขทําอะไรก็เอื้ออํานวยความสะดกสบายให้เก่กันและกันความสมัครีของระบบระบอบในหัวใจของเราในร่างกายของเราอมีความสมัครีอวัยวะสามสิบสอง ประกาศนีมีความสามัคคีปรองรองกันเราก็อยู่เย็นเป็นสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้แต่ถ้าหากอันนั้นหนักไปอันนี้อ่อนไปเดี๋ยวเป็นนุ่นเดี๋ยวเป็นนี้หรือพักผ่อนไม่พอเนี้ยเดี๋ยวก็เป็นลมเป็นแรงคือมันขาดความสามคัคคีโดยเพพาะยังยิ่งร่างกายของเราเนี่ยมีทั้งขาดความสามคัคคีมีทั้งความสามัคคี ไปในขณะเดียวกันรวมไปถึงเรื่องราวอย่างอื่นที่ขาดความสัมคีหาความสุขไม่ได้เรารู้บ้านรูมตําบลเรารู้ประเทศที่มันขาดความสัมคีฆ่าแกงกันอยู่นั้นหมดทั้งปีทั้งชา ต, ติไม่มีความสุขแต่อันนี้งานของสงฆ์เป็นงานเพื่อความสุขอย่างแท้จริงสมมุติตรงนี้ขึ้นมาเป็นสีมา เป็นเขตบุญเป็นบุญจัจสถานเป็นเขตบุญเป็นบุญจัจสถานพระพุทธเจ้าท่านกแบบับทรงทำอย่างนี้ขึ้นมาเรามาพิจารณาตามที่ท่านสมมติขึ้นมาแล้วเนี่ยทำไมท่านคิดได้ทำไมท่านคิดออกท่านมองทะลุ ป, ปุโปรหมดแล้วทำอย่างนี้ทาอย่างนี้ดูไปแล้วดูมันจะเป็นการทาให สังกกรรมเหล่านั้นเกิดความคลังเกิดความพิเศษศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาอย่างใดอย่างหนึ่งเราดูแต่เวลาเราบวชพระเนี่ยเราบวชพระ เ, เราจะต้องมาบวชในเขตที่เราสมมุตินี่แหละอืเขตที่เราสมมุติแท้ที่จริงสมมุติสีมามีทั้งสีมาที่สมมุติและก็สีมาที่ไม่ได้สมมุติแท้ที่จริงพิจารณาไล่ไปให้มาก ตรงไหนก็เป็นสีมาเราทําได้ทั้งหมดคามาสีมาพัทธสีมาอภัตสีมาเนี่ยอภัตสีมาเขตสีมาที่ไม่ได้สมมุติพัทธสีมาสีมาที่สมมุติเหมันอย่างที่เราสวดวันนี้คือการสวดถอนเพื่อที่จะสมมุติทีนี้ไอ้ที่ไม่ใช่สีมาที่สมุติเป็นอภัตสีมาเช่นอย่างท่านให้กําหนดเขตบ้านเขตนิคมเนี่ย ก็เป็นสีมาได้เหมือนอย่างเราสวดปฏิโมกเนี่ยเราก็ถือว่าเราอยู่ในเขตไม่ใช่สีมาเวลาเราสวดอภัพจสีมาอภัตจสีมาอย่างเนียอภัตจสีมาแต่กำหนดเอาในหัตถบาตว่าทพิสุสงประชุมกันแล้วไม่ห่างอยู่ในหัตถบาตคำว่าหัตถบาตแปลว่าบ่วงแขนเอามือทำอย่างเงี้ยเป็นข้อสอกเงี้ถึงกันคือว่าเป็นบ่วงแขน หัตตาบดหัตตาทดพิสุทที่อยู่ในหันตตาทสามารถคัดค้านกิจกรรมเวลาเพื่อนทำสามารถคัดค้านได้เพราะฉะนั้นท่านจึงมีการสวดโดยเหตุที่ท่งไว้อย่างนี้ส่งทั้งหลายเห็นสงควรไหมเหมาะไหมถ้าเห็นสงควรแล้วก็จงนิ่งตัสมาตุนีอเอ เอว่าเมตตังธรยามิพระพิฆเนศทรงไว้ว่าตรงนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นงนี้นี่คือมติเป็นมติสงฆ์นี่ยขอมติจากสงถ้าสงเห็นพร้อมและจงนิ่งแต่วันนี้พวกเราไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไรดอกเห็นหมู่สาธุสาธุไปตามกันมันผิดหลักของท่านนะต้องเจ้าคณะที่เขารู้มหาปรเรณ์ท่านรู้ท่านบอกปะ ท่านบอกให้นิ่งสมาธิตหีตนให้นิ่งแต่พวกเราสาธุแต่เราว่าสาธุก็ไม่ผิดเนาะหมายความว่ามตินี้ชอบแล้วแต่เรามันนิ่งเราสาธุเอาเป็นว่าเอาวันนั้นก็ถูกเอาวันนี้ก็ถูกก็แล้วกันถูกหรือไม่ถูกก็ว่าไปแล้วใช่ไหม อ, อ, อันนี้คือสังเกตกรรม ทำให้เราได้มาใช้ได้มาสวดมาสมมุติยกให้จริงจริงพระเจ้าเป็นผินยกให้เป็นแทนเอกเทศเนี่ย <Yeah. S 1> เรามีวัดว่าอยู่ทั่วไปวัดที่สมบูรณ์แบบก็จะต้องเป็นอย่างนี้เป็นที่ที่ทำให้เกิดลูกของสงฆ์ขึ้นมาสลับบทที่สะดวกสบายแต่ถ้าหากเราไม่ ไม่ใช้เป็นเป็นที่สวดสมมุติแล้วก็ไปสวดในอภัพสีมาอภัพชีมาอันนี้เขานิยมทำที่โบดน้ําสมมุติอย่างบวชบวชที่โบดน้ําอากุต อ, อุทักษกุเขมรศีมาบวชที่โบดน้ําทําแพรหรือทําเรือแล้วก็บวชในแพบวชในเรือถือว่าเป็นแดนเอกเทศแต่ต้องไม่ลอยนะต้องมัดเอาไว้ต้องไม่ลอย ความประสงค์ก็คือต้องการให้เป็นแดนเอกเทศสีมาสีมาแปลว่าแดนเอกเทศแดนที่ผูกพัฒธสีมาสีมาที่ผูกอัฒนสีมาสีมาที่ไม่ได้ผูกคือผูกให้เป็นแดนเอกเทศจากเขตของบ้านเขตของนคมเขตของบ้านเขตของเมืองอเป็นหลักให้พวกเรามาเกี่ยวข้องอุบาสกอุบาสิกา บวชลูกบวชหลานเป็นพระเจ้าพระสงค์ซึ่งเป็นต้นกําเนิดฉลองศรัทธาว่าเราเกิดความเริ่มใสศรัทธาในพระพุทธศาสนานะเราก็ยินดีพอใจที่จะถือศีลีลองร้ี่สิบเจ็เราจะต้องมาบวชอย่างนี้บวชเนรเราบวชไม่ใช่ที่ซีสีมาแล้วก็บวชได้แต่ถ้าต้องการเป็นพระสงค์นั้น จะต้องบวชในเขตที่เราสมมติกัน <c oughs> ด้วยเหตุที่เรารับศินสินสอง้อยยี่สิบเจ็ดเราต้องการถือสินห้าเราก็อยู่ครองเรือนพระพุทธศาสนาก็ไม่ถือว่าเราเสียประโยชน์เสียผลประโยชน์อุบาสกอุบาสิกาถือศินห้าอยู่ครองเรือน เราก็สามารถตั้งใจศึกษาทําได้ปฏิบัติทําได้แต่จะต้องมีเงื่อนไขในการปฏิบัติธรรมจะต้องมีเงื่อนไขในการปฏิบัติธรรมเช่นอย่างเราครองศินห้าเราอยู่บ้านเราอยู่ช่องเรารักษาศินห้าสิห้าของเราบริสุทธิ์เราก็มีความสุขในระดับบ้านในระดับครัวเรือนของเรา การตั้งแครรักษาศิลก็ถือว่าเป็นการเริ่มรู้เรื่องกิเลสในใจของเราแล้วโดยเหตุที่มีพระพุทธศาสนาสอนให้เราเข้าใจเรื่องฐานเรื่องศินแล้วก็เรื่องภาวนาในหลักท่านพูดถึงไตรสิกขาศินสมาธิปัญญาในหลักอริยมรรคมีองค์แปดสรุปลงมาก็เหลือแค่สินสมาธิปัญญา แต่พวกเราก็ต้องล่อมหลอ ม, ลอมรวมทานศีลภาวนาศีลกับภาวนาภาวนารวมไปถึงสมาธิรวมไปถึงปัญญาขั้นให้ทานก็ยังต้องต่อสู้กับกิเลสกิเลสคือความตำหนีที่เหนียวในหัวใจของเราเราดูเถิดเรามีความตำหนีไหมความอยากได้ ความไม่อยากให้หลุดไม้หลุดมือไปนั่นแหะคือความตรองมีทีเดียวเหมือนอย่างที่หลวงตาท่านพูดถึงศรัทธาตังเมเคยได้ยินไหมศรัทธาตังเมมีความเลื่อมใสศรัทธาอยู่อยากทาบุญอยู่อยากให้ทานอยู่แตะกิเลยยังดึงอยู่ยังดึงไว้อยู่มันไม่ปล่อยให้ศรัทธาท่านบอกเหมือนศรัทธาตังเมดึงดึงดึงดึ ง, ดงขาดเวลาขาดตับเอามาเทียบดูเท่ากับนิ้วสองนิ้ว หนึ่งนิ้วยาวหนึ่งนิ้ ว, วยาวสองนิ้วตังเมที่เขาดึงอ่ะดึงดูดขาดตัพประกาศลั่นตันหวาเนขะาดลั่นศรัทาตังเมศรัทธาตังเมศรัทธาเหนียวแน่นอะไรพาให้เหนียวสิ่งที่พาให้เหนียวแน่นในข้างในมีอยู่สิ่งที่พาให้ใจิตใจเราจะหนีชีเหนียวมีอยู่ก็คือความเห็นเก็บตัวน ความเห็นแก่ตัวคืออะไรก็คือริดเด็ของกิเลสของปัญหานั่นเองความรอบรู้รู้ไม่ทั่วถึงในหัวใจของเราทำให้เราเห็นแก่ตัวด้วยเหตุที่เราขาดความรอบครอบขาดความรู้ทั่วถึงทำให้เราเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ความที่เรารู้ไม่รอบรู้ไม่ทั่วนั่นเองมันมีสิ่ง ที่ซ่อนเร้นอยู่ในหัวใจของเราสิ่งที่สกปรกโสมมสิ่งที่เป็นพิษเป็นภยัยสิ่งที่เคลือบแฝงมากับใจของเราเราเคยสังเกตเราเคยย้อนไปดูไหมเรียกให้ตรงจุดเรียกให้ตรงเป้าของมันก็คือตัณหาอย่างอื่นเป็นริบเป็นเดดเป็นลกูกเป็นหลานเป็นเหลนของตัณหาทั้งนั้น เพราะตัณหานั้นเป็นมันเป็นยอดของสมุทยัยเราชี้สมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์ชี้ไปที่ไหนเรากชี้ไปชี้ตัณหาการมันตัณหาภาวะตัณหาวิภาะวะตัณหาแค่เราตั้งใจจะให้ทานตัณหามันก็นรั้งเอาไว้สั้งเทิยมสายอยู่เราดูแต่พราหมณ์จุเลกษะสระดกเถิดฟังเทศของพระพุทธเจ้าตั้งแต่หัวค่ำไปจนสว่างน่ะ เรื่อมใสศรัทธาตั้งแต่ตอนหัวค่าอยากทำทานอยากให้ทานอยากถวายกันเทศรูปดิจา้าไม่มีอะไรจะถวายมีผ้าหม่มผืนเดียวพรามกับพรามณีสองคนผัวเมียมีผ้าสามผืนเมียมีผ้าหน่งผืนหนึ่งผัวมีผ้าหน่งผืนหนึ่งแต่ทั้งสองคนนั้นมีผ้าห่มด้วยกัน เวลาเมียอยู่บ้านผัวหม่มผัวไปข้างนอกผัวก็หม่มผ้าห่มไปมีผ้านุ่งหนึ่งผ้าห่มหนึ่งนุ่งไปห่มไปพอเวลาผัวอยู่บ้านผ้าพื้นเดียวนั้นแหละเมียออกนอกบ้านอเมียก็มีผ้าถุงหนึ่งแล้วก็มีผ้าหม่มผ้าห่มนั่นแหละที่ห่มด้วยกันกับผัวนั่นแหละหม่มออกไปนอกบ้านวันหนึ่งกลางคืนพราหมณ์ไปฟังเทศ พระองเจาเรื่อมใสศรัทธาอยากถวายเ อ, เอ๊ถ้าเราให้ไปภรรยาก็ไม่มีอะไรใช้เราก็ไม่มีอะไรใช้แน่มันรังเอาไว้นะตัณหามันรังเอาไว้เริ่มใสศรัทธาอยู่แต่ยังแรงไม่พ อ, อยังยื้อกันไปยื้อกันมายอมมันซะก่อนแน่ปฐมยามให้ไม่ได้ท่านบอกว่าถ้าปฐมยามให้ได้อานิสง์จะได้ถึงสิบหกเท่าอานิสง์ได้สิบหกเท่า ฟังไปฟังไปฟังไปท่ากลางราตรีเติ่มใส่ศรัทธาอีกจะให้อีกไม่มีอะไรจะให้กับผ้าพื้นเดียวนี่แหละจะให้อีกคิดมากไปอีกแหละให้ไปแล้วไม่มีอะไรใช้่ให้ไม่ได้อีกก็บอกว่าถ้าให้ได้ในยามท่ากลางราตรีเนี่ยได้อานิสงส์สิหส่วน ถ้าให้ใ น, นท่ากลางราตรีจะได้อา น, นิสง์แค่แปดส่วนมันลดลงไปมันลดลงไปแต่ไปให้ได้นู้นยามสุดท้ายของราตรีปลายใกล้จะสว่างน่ะก็เลยมาทำให้เราเข้าใจว่าสมัยก่อนนั้นสมัยพระพุทธเจ้ายัางสงปพระชนอยู่มีการฟังเทศมีการปฏิบัติกันตลอดคืนเหมือนกันนี่สะท้อนมาที่พวกเราคิดได้อย่างนี้แล้วเรามีกาลัง หนึ่งคืนเราเสียสละได้เราอยู่ได้ไม่เหลือบากกว่าเวเราลองเสียสละสักคืนหนึ่งเนสัชชิเนสชัชชิบางแห่งก็ทํากันได้ไง่ายๆมากแหละเนสัชชิเนี <c oughs> บางคนก็เหลือเหลืออดเหลือทนเหลือกําลังวังงั้นเถอะแน่เนี่แหละไม่หลับไม่นอนยืนบางทีก็ไปยืนกอดต้นไม้อยู่หัวจงกรมอะ่ะรู้มันหลับมันรู้ลงไปกองข้างล่างนั้งแต่เมื่อไรมัรู้ เพื่อนไปเห็นเพื่อนไปเห็นลองสู้เดีลองต่อสู้น่าจะไม่ถึงขนาดนั้นน ะ, ะเราอยู่ตลอดคืนฟังเทศพรามจูเลกาสารดกก็เหมือนกันยามสุดท้ายของราตรีสละได้สละได้ได้อ น, นิสงส์จากการให้ทานแค่สส่วนเท่านั้นเองอมันจะเพิ่มไปสี่ส่วนถ้าให้ได้ตั้งแต่หัวค่ํำได้อ น, นิสงส์ถึงสิบหส่วน หมายความว่ามันไม่มีอะไรมารั้งผลอนิสง์จึงเกิดจึงเกิดเพิ่มขึ้นมีขึ้นมากแต่ด้วยเห็นที่มีสิ่งมารั้งสลักไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านจึงว่าถ้ามีความเริ่มงใสรศรัทธาอยากทำบุญอยากให้ทานให้รีบทำถ้าจะทำความดีให้รีบทำให้ตั้งใจทำให้รีบทำถ้าเราไม่รีบทำเดี๋ยวอกุศลมันดึงไปแล้ว พอมันดึงไปก็เสียท่ามันแหละเหมือนอย่างนี้แหละเนี่ยเหมือนพราหม์รัทธาจะให้แต่ให้ไม่ได้มันมีตัวรั้งเอาไว้ตันหาในหัวใจมันรั้งเอาไว้ให้ไม่ได้อถ้าให้ได้ตั้งแต่หัวค่ําเนี่ยพระโธมียามได้ได้อานิสงสิสิบถึงสิบหกส่วนถ้าให้ได้ในยามท่ากลางของราตรีได้อานิสงสิแปดส่วน แต่พราหมณ์ไปให้ได้ตอนยามสุดท้ายของราตรีอันนี้สองก็ลดลงไปลดลงไปเหลือแค่สี่ส่วนเราคิดได้อย่างนี้ล้วเรามาเทียบดูที่พวกเราทําบุญให้ทานอยู่ทุกวันเกิดความเรื่อมใส่ศรัทธากับอะไรก็ตามเรื่อมใส่ศรัทธาปั๊บจากัดความรู้ความเข้าใจของตัวเองว่าถูกต้องแล้วชัดเจนแล้วเอาทันทีเลยอาจารย์อินท่านพูดอยู่เรื่อยๆท่านบอกว่า ให้ง่ายๆเวลาได้มันจะได้ง่ายๆแต่ว่างั้นนั้นแต่ให้ยากๆเวลาได้มันก็ได้ยากเลยเหมือนพรามเนี่ยไปให้ยากๆไอตอนสุดท้ายของราตรีได้ก็ได้ไม่มากได้อันนี้ส่งไม่มากนี่คือการต้องต่อสู้แค่แค่ขั้นให้ทานเราก็ยังจะต้องต่อสู้เพราะมันมีสิ่งคอยเหนียวรั้งกันอยู่ข้างใน เดี๋ยวนี้พวกเราตั้งใจศึกษาธรรมประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมเราพยายามที่จะรู้จักเจ้าตัณหานั่นแหละเรารู้เราเห็นแต่ริดเดดมันแสดงออกมาข้างนอกไม่เคยเห็นตัวตนมันมันอยู่ข้างในเราดูไม่ออกใครผิดมาให้เราใครสร้างมาให้เราใครทำมาให้เราตัณหาในหัวใจของเราไม่มีใครสร้างให้ไม่มีใครทำให้หากเกิดมาพร้อมกับ ธารู้ของเราผู้รู้ของเรากลายเป็นว่าหัวใจของเราทุกคนทุกดวงเนี่ยเป็นวัตถุมาดิบดิบเป็นวัตถุดิบมาทั้งนั้นเราจะต้องมาปรับปรุงมาเจียรในเราเห็นความตั้งใจความพยายามของพระพุทธเจ้าที่ท่านตั้งอกตั้งใจตั้งความปรารถนาบรรลุปัสมาสัมโพธิญาณ เพื่อจะ ด, ดึงสัตว์ทั้งหลายออกจากกองทุกกองทุกก็คือกองทุกที่เกิดขึ้นจากตังหามันผลิตให้เรานั่นแหละใช้ที่จริงเวลาศึกษาเข้าไปแล้วไล่เข้าไปแล้วไล่เข้าไปแล้วสิ่งเหล่านี้แหละมันปนเพื่อนมาไปศึกษาไปพิจารณาไปคนน้นคว้าทำบุญทำอานิสงส์อย่างยิ่งยวดทำอะไรทำอะไรขอได้ทำอะไรอะไรขอได้ทำอะไรขอได้ถึงขั้นให้ทาน ทานธรรมดาทานอุปบารมีทานปรมัตบารมีพระพุทธเจ้าเสียสละชีวิตเป็นทานหวังความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าขอให้ได้ขอให้ได้ชีวิตไม่มีคุณค่าอะไรเลยขอให้ได้สิ่งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเราเราอ่านในตำนานสมัยพระพุทธเจ้าของเราเป็นดาบดอยู่ในป่าท่านเสียชีวิตให้เสือเห็นแม่เสือลูกอ่อนอยู่ในป่ากาลังจะกินลูกมัน เสือกําลังจะกินลูกก่อนของมันโดดไปให้เสือกินโดดไปให้เสือกัดกินเสียสละชีวิตเป็นทานแม้แต่จะเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ถือว่าการเสียสละชีวิตไม่กลัวอแล้วก็ให้เป็นทานกับสัตว์เสือมันได้กินแค่นั้นมันก็คงจะลูกของมันก็คงจะมีชีวิตยืนยาวไปนานพอสมควร เนี่ยถ้าเป็นทานพื้นๆธรรมดาทานขั้นนี้ทานระดับนี้เป็นทานระดับตั้งใจปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมโพธิยานตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าให้อย่างยิ่งยวดเรื่องของการให้ทานนั้นน่ะพวกเราพื้นๆธรรมดาไม่ใช่หัวใจของพระอริยเจ้านับตั้งแต่พระโสดาบันเป็นต้นไปเราสู้ท่านไม่ได้หรอก ผู้ที่ท่านเป็นพระโสดาบันท่านให้ทานท่านให้จนหมดเนื้อหมดตัวเพราะฉะนั้นพระโสดาบันที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาสมัยพระพุทธเจ้าทนทรงไปชนอยู่พระพุทธเจ้าต้องสวดสมมุตดให้ให้สงไปสวดสมมุตดให้ใครเป็นพระโสดาบันเป็นผู้ชายก็ตามผู้หญิงก็ตามท่านให้สงไปสงไปสวดสมมุตดให้ใครก็ตามที่สงไปสวดสมมุตดให้พระไปบินทบาตโดยที่คําไม่ได้นิมน ประอาบัต์เน่เห็นไหมวิธีการที่พปธเจ้าท่านช่วยเพราะอะไรเพราะผู้ที่เข้าได้ไปเข้าไปรู้เข้าไปเห็นหลักธรรมะเหล่านี้แล้วเห็นคุณค่าของการให้ทานเปรียบเทียบยกตัวอย่างเช่นอย่างเขากําลังรับทานกันอยู่อิ่มน้ำำําสํารางกันไปหมดแล้วแหละแต่ตัวเองยังดูแลเขาอยู่ให้เขารับทานเหลือไว้จานสุดท้ายสําหรับจะรับทานเองนะ กำลังจะรับทานอยู่เนะี่ยกำลังจะยกเข้าปากเนะี่ยมีเพื่อนมายังไม่ได้รับทานโอ้ยังไม่ได้รับทานมายกให้เขาเฉยเลยแหละกำลังจะเข้าปากตัวเองเห็นอานิสงเข้าปากของคนอื่นได้ผลได้อานิสง ม, มากกว่าเข้าปากของตัวเองนี่หัวใจของพระโสดาบันพวกเราพื้นๆไม่ถึงกับความเป็นพระโสดาบัน ทำไมพระโสดามันท่านไหมท่า น, าานจึงเรื่อามใสศรัทธามากมายถึงขนาดนั้นกิเลสตัณหาอะไรมันไม่ไปเกี่ยวข้องแล้วแหละมันไม่มีอะไรมาฉุดมันไม่มีอะไรมารังแล้วมันเลยนั้นไปหมดแล้วเนี่ยเห็นอันในสงเห็นผลเห็นอันในสงเพราะฉันในในใจของผู้ที่มีธรรมถึงขนาดนี้ในใจมันล้นเหลือไปด้วยเมตตากรุณาอยากให้เขามีความสุขอยากให้เขาพ้นทุกข์มันเต็มเปี่ยมอยู่ในนั้นเน่ย นี่เราพูดถึงพระโสดาบันพระโสดาบันท่านเข้าไปเห็นหลักสักจจะอย่างแท้จริงผู้ที่เข้าไปเห็นเช่นอย่างพระอัญญาโกลธัญญาท่านเข้าไปเห็นเนี่ยพระพุทธจ้าท่านแสดงธรรมการแรกธรรมจักกับปวัตนาสูตรเนี่ยแก่ปัญจวัตรทีธรรมจักกับปวัตนาสูตรพระอัญญาโกลธัญญา ฟังกระแสรพระธรรมของพระพุทธเจา้าแล้วก็ส่งจิตไปตามกระแสรพระธรรมเทศนา น, นทำให้จิตของท่านเข้าใจหลักของธรรมจิตเข้าถึงกระแสธรรมกระแสธรรมกระแสธรม ร, รมก็คือหลักธรรมชาตินั่นเองพวกเราเดินนั่งนอนอยู่บนกระแสของธรรมชาติแต่เราไม่รู้เราไม่เข้าใจอะไรคือกระแสธรรม กระแสธรรมที่คท่านเข้าไปเห็นก็คือเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองที่พระอัญญาโกธัญญาท่านเข้าไปเห็นเห็นสภาพธรรมชาติเหล่านี้ไม่ใช่ว่าท่านเข้าไปเห็นแก้วแวนเงินทองไม่ใช่แต่สิ่งเหล่านี้มีความสําคัญ มหาศาลยิ่งกว่าแก้วแหวนเงินทองที่เป็นวัตถุเสียอีกเพราะการเข้าไปเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วทําให้เราเริ่มคลี่คลายจากความทุกข์จากกองทุกข์เริ่มเข้าใจเริ่มตื่นเนื้อตื่นตัวเริ่มรู้สึกเนื้อเริ่มรู้สึกเนื้อรู้สึกตัวเริ่มรู้ว่ามันมีตัวเสนีย์ตัวจันไรไปเกาะไปเกี่ยวข้องไปผูกพันกับผู้รู้ของเราอีกเพราะฉะนั้น ยืนเดินนั่งนอนที่เราได้รับผลจากสิ่งเหล่านั้นถ้าให้เราประสบอยู่เนืองเนื่มันจะป้อนอารมณ์ที่เสียหายให้กับเราถ้าให้เราได้รับความทุกข์อยู่เรื่อยๆอยู่เนืองเนื่องในนั้นท่านก็พูดท่านก็พูดถึงสมุทยัยสมุทัยก็คือตัณหานี่เราพูดถึงแค่ขั้นให้ทานเราต้องต่ อ, ตอสู้กับกิเลสเรามาพูดถึงขั้นรักษาศีล ยิ่งมารักษาศีลนี่เราจะต้องต่ อ, อกรกันกับกิเลสจังๆเลยตอนนี้ต้องต่อสู้กับกิเลสนะเราเอาแค่ศีลห้าแท้ศีลห้าปกติมนุษย์ฆ่าสัตว์มนุษย์กินเนื้อสัตว์มนุษย์ต้องฆ่าสัตว์อแต่ศีลห้าของพระพุทธเจ้าห้าไ ม, ม่ให้เราฆ่าสัตว์ละสัตว์พระพฤติผิดในกามพูดโกหกลืมสุรามีไร ถ้าเราตั้งใจจะรักษาศีลพักด้วยความเลื่อมใสศรัทธาเราจะต้องละเราจะต้องงดเราจะต้องเว้นเราจะต้องละเราจะต้องงดต้องเว้นเพราะกิเลสมันสวมรอยมาที่กายกายกรรมกิเลสมันสวมรอยมาที่วาจาวัาจีกรรมจะระงับกิริยาที่มันแสดงออกมาทางกายกรรมวัจีกรรมได้ยังไง พระพุทยเจ้าท่านจึงทรงบัญยัสสินศินเป็นเครื่องสงบระงับกิเลสหยับยาบที่แสดงออกมาที่กายกายกรรมฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกา ร, รมนี่ถือว่าเป็นกายกรรมเพอเราไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามนี่คือต้องต่อสู้นะต่อสู้ได้หรือไม่ได้เราดูที่เราสินห้าใครรักษาได้เต็มเปี่ยมมาตลอดทั้งชีวิตของเราหรือบางคนอาจจะเพึ่งระลึกได้ ตอนเข้าวัดตอนเริ่มเข้าวัดมันละเอียดนะคนมีนิสัยชอบฆ่าสัตว์เป็นอาชินไม่กล้ารักษาศีลเพราะรักษาศีลแล้วไม่ได้ฆ่าสัตว์ค่าเล่นค่าสนุกค่ามากินมาบริโภคการฆ่าสัตว์แต่ถ้าหากตั้งใจรักษาศีลปั๊บต้องต่อสู้กันกับกิเลสต้องละต้องงดต้องเว้น ปัญหามันแสดงกิริยาวมาทางกายกายกรรมเนี่ยมาแสดงข้าสัตว์ลักทัพย์ยิ่งประพฤติผิดด้วยกามประพฤติผิดในกามด้วยแล้วเนี่ยยิ่งใหญ่มากเราทําลงไปแล้วมันเดือดร้อนถึงใจทั้งหมดเพราะพฤติกรรมทุกอย่างแสดงมาจากใจแสดงมาจากตัญหาที่มีอยู่ในใจแสดงออกมาที่กายกายกรรมข้าสัตว์ลักทัพย์ประพฤติผิดในกามอันนี้กายกรรม พูดเท็จพูดหยาพูดส่อเสียดพูดเพลยเจออันนี้เป็นวิจีกรรมถ้ากิเลสมันสวมรอยมามันสามารถทำสิ่งเหล่านั้นได้สรดวกสบายง่ายข้าใครก็ได้หลักของใครก็ได้ผิดลูกเขาผิดผัวเขาเมียเขาใครก็ได้ทำได้ตามใจชอบนั่งกิเลสมันชอบชอบหรือไม่ชอบเราดูไปดูไปชี้ใจของคน มันมีอิ ส, สระเสรีที่จะนึกที่จะคิดที่จะทําที่จะก้าวล่วงได้อย่างสะดวกสบายถ้าลองไปลุกอาํานาจให้กับมันหนึ่งครั้งสองครั้งหนึ่งรายสองรายมันจะลุกลามไปเรื่อยไม่มีจบไม่มีที่จบไม่มีจุดจบใครมาล่วงละเมิดปับ๊บในครัวเรือนนั้นหาความสุขได้ยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งศิ่งข้อสามเนี่ยหาความสุขได้ยาก อันนี้เป็นหลักของครอบครัวถ้าหากหลักอันนี้คลอนแคลนไปแล้วนทุกหัวใจที่มีทุกหัวใจทุกดวงของครัวเรือนนั้นจะประสบความทุกข์อยู่เรื่อยๆอยู่เนืองเดี๋ยวอนั้นแทนข้มาเดี๋ยวนี้แทเข้าม า, ว า, มาความไม่แน่ใจความไม่ไว้วางใจ ความต้องระวังความต้องระวังความที่เกิดความรู้สึกไม่ชอบใจไม่พอใจที่มันคอยทิ่มแทงมาที่หัวใจนี่สงบระงับได้ไหมสงบระงับได้ด้วยสิ่เพราะฉะนั้นสิ่ง้าเนี่ยทำให้เรามีกายกรรมของเราปกติทำให้เรามีวจีกรรมของเราปกติปกติเพราะเราเอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาต่อก่อน อย่าลืมว่าสินนะเป็นทั้งศินเป็นทั้งธรรมนะสมมุติเราไปทําสินให้ขาดปับสินห้าเราขาดค่าสัตว์ปับสินเราขาดนอกจากสินขาดแล้วมันยังเป็นเวรเป็นภั ย, เ ป, ภยเป็นบาปเป็นกรรมอีกนะค่าสัตว์เล็กๆมันก็บาปเล็กค่าสัตว์ใหญ่ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งฆ่ามนุษย์ฆ่ามนุษย์มีสินฆ่ามนุษย์ไม่มีสินฆ่ามนุษย์ที่เป็นพ่อที่เป็นแม่ลองดูซิ ราดูไปที่พระโมคคัลลานะฆ่าแม่เพราะอยากอยู่สบายๆกับเมียสองคนในอดีตชาติของพระโมคคัลลานะระดูไปสิมันจะไปถึง5นาทีอะไรทำแม่ไปฆ่ามีวันหนึ่งเมียเมีย ม, มาเสนอยติเด็กขาดไม่ชอบแล้วแม่ของท่านเง่งอยู่ด้วยกันไม่สะดกสบายดอก ถ้าท่านจะอยู่กับแม่เนะี่ยฉันก็จะไปละถ้าถ้าท่านอยากอยู่กับฉันท่านต้องจัดการแม่โอ้เราฟังดูสิอันนี้หมายถึงอดีตชาติของพระโมคคัลลานะนะพระโมคคัลลานะโมคคัลลานะอดีตชาตินั้นกับยากอยู่กับเมีย ส, สบายๆเอาแม่ไปฆ่าแม่แม่มีคนบ้าง น, นั้นก็บอกว่าก็ เ, าเป็นยากกับแม่เขาอยากให้แม่ไปเยี่ยมก็หกแม่ แม่โอ้ดีอกดีใจที่ว่าเพื่อนบ้านต้องการให้ไปเยี่ยมเอ อ, เ อ, อไปไปลูกก็เลยพาไปนั่งเกวียนไปแท้ที่จริงหลอกแม่ไปฆ่านั่งเกวียนไปเกวียนโบราณมันไปแต่ล่องเก่าใช่ไหมมันก็มีเป็นช่องไปวนออกสองข้างไม่ได้ดอกมันก็ลากไปตามล่องเกวียนน่ะพอไปถึงล่องเกวียนหนทางที่มันเป็นล่องเฉพาะเกวียนไปได้สะดวกให้แม่จับจับเชือกวัว บอกว่าจะลงไปทำธุระข้างล่างซะหน่อยอแม่ก็จับแม่ไม่ต้องทําอะไรมันดอกจับอยู่เฉยๆวัก็เดินไปข้างมันเดินไปทามทางพอลงไปก็ไปเปลี่ยนเสียง เ, ยเป็นขโมยแะไรตี้เป็นโจรมาปล้นเลยไอ้อกโวยโวอยมาทุกมาตีแม่เลยนีแน่ก็ลูกตัวเองเนี่แหละถึงขนาดก็ตามแม่โอ้ลูกเอ้นีหนี้นีนนแม่แก่แล้วตายไม่เป็นไรลูกหนี้นีขโมย โจรปล้นแล้วโปล้นแล้วหนีหนีเอาตัวรอดได้ทุกกี่แม่จนตายมันจะไปถึงห้านาทีอะไรและไม่ได้ตั้งใจว่าจะมารับกรรมห้าร้อยชาตินะ่ะไม่ได้ตั้งใจต้องการแค่ไปอยู่กับเมียสบายๆเราฤ ก, กิเลสกามกิเลนมันปิดบังมันทับถมหัวใจของเรามากขนาดไหนนี่เราพูดถึงศีล น, นะศีลห้าระงับสิ่งเหล่านี้ได้แค่ครอบครัวเราไม่นอกใจกัน ทำไมครอบครัวเราจึงมีโทษหนะักสามีนอกใจภรรยาภรรยานอกใจสามีเพราะเรามาพิจารณาดูให้ดีดีๆแล้วเนี่ยสามีเป็นสมบัติของภรรยาภรรยาเป็นสมบัติของสามีภรรยาเป็นสมบัติของสามีสมมติภรรยานอกใจสามีนเนี่ยเขาถือว่าขโมยสมบัติของสามีไปบำรุงบำรเรอคนอื่นหนักไหม หนักมากถ้าสามีนอกใจภรรยาเขาถือว่าสามีขโมยสมบัติของภรรยาไปบำรุงบำเรอคนอื่นเราฟังดูแล้วเป็นยังไงมันน่าละอายแก่ใจขนาดไหนมันเป็นทุกข์เป็นโทษขนาดไหนโอ้ทิ่มแทงหัวใจกันขนาดไหนบางทีก็อยู่ด้วยกันดีๆไป ยิ่งมีการจดถังจดทะเบียนอะไรและทำมาหากินด้วยกันมีมูลทรัพย์มีอะไรจะลายกันแล้วเนี่ยพอมาถึงตอนนี้ทุกมากลูกก็มีหนึ่งคนสองคนทรัพย์ก็มีอันนั้นเพิ่มขึ้นมีอันนี้เพิ่มขึ้นเวลาจะออกจากกันยากมากบางคนก็ทวงอยู่อย่างนั้นแหละขอเลิกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งขอเลิกถ้าเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบหน่อย ถูกคนที่ได้เปรียบก็ขอเลิกขอเท่านันลา้านขอเท่านี้ลา้านเขาไม่อยากให้เขาก็ไม่เาก็ไม่เลิกก็อยู่ไปแหมมันเป็นอย่างนั้นนี่คือความทุกข์ทุกข์มากน้อยขนาดไหนผู้ที่เป็นรู้เองสินของพระพุทธเจ้าสามารถระงับดับตัณหาที่มันแสดงออกมาที่กายกรรมที่วจีกรรมนี้ได้ การรักษาศีลมีความหมายอย่างนี้ให้เราเข้าใจด้วยศีลห้าที่เราสมาทานไปสมาทานไปสมาทานเฉยๆไม่ได้ผลอะไรอานิสอง์อะไรดอกไม่เกิดบุญไม่เกิดอานิสอง์อะไรถ้าหากเราไม่ตั้งใจวีรัตไม่ตั้งใจงดไม่ตั้งใจเวนจะมีผลมีอานิสง์ต่อเมื่อเราตั้งใจวีรัตงดเวนศีลศีลห้า บางคนมีนิสัยชอบศีล ร, รักศีล ร, ร, ร, รักเพศอยากถือศีลแปดไปเข้าวัดนุ่งขาวผมขาวเนี่ยรักเพศชอบนุ่งขาวชอบผมขาวรักศีลมากขึ้นเพิ่มขึ้นบางคนชอบรักศีลศีลสิบความจำเนย เ, เนี่ยเป็นเด็กก็ปฏิได้นุ่งเหลืองผมเหลืองมีศีลทั้งสิบข้อบางคน รักศีลเพิ่มมากขึ้นอีกเป็นพระยาผสมศลสองอยีสิบเจ็ดภิกษุณีเนี่ยศีลสาสิบอถึงแม้ว่าภิกษุณีจะขาดช่วงไปแล้วสมัยทุกวันนี้เขาก็ยังมีการสมมุติให้มีภิกษุณีอันนั้นคือหัวใจของคนที่รักเพศและก็รักศีลคนเราหัวใจไม่เหมือนกันแตกต่างกันบางคนยินดีพอใจอยู่ปฏิบัติทำแค่ถือศีลห้า เพราะศีลห้าพุทธิเจ้าท่านก็ไม่ห้ามมรรคห้ามผลห้ามนิพพานสามารถปฏิบัติธรรมไปสวรรค์ไปนิพพานได้ยกตัวอย่างเช่นอย่างวิสาขะเสียทีเนี่ยท่านไปฟังเทศพุทธิเจ้าแล้วก็ท่านก็ปฏิบัติธรรมสรางอุปการจนได้เปลี่ยนพระอนาคามีวิสาขะเสียฐีจนได้เปลี่ยนพระอนาคามีวันที่ได้เป็นพระอนาคามีพอกลับบ้านไปก็เห็นว่า ภรย า, าหมดความจาเป็นแล้ววงั้นเถอ ะ, อะทราบสมบัติเธอต้องการอะไรก็เอาไปอันนั้นก็เอาไปอันนั้นก็ให้อันนั้นก็ให้นน ใ, หนนให้เอาไปาเราเคยเกี่ยวข้องกันยังไงต่อไปนี้เราต่างคนต่างอยู่และภรรยาก็คือนามธรรมทินนารู้ว่าสามีถึงขั้นเป็นพระอนาคาาไม่ยอมรับเอาอะไรสักอย่างเลยขอพระขอท่านเศรษฐีไปบวชไปบวชเป็นภิกษุณีแน่ เป็นผู้หญิงไปบวชเป็นภิกษุณีไปบวชเป็นภิกษุณีไม่กี่ไม่กี่วันไม่นานนักตั้งใจปฏิบัติได้บรรลุเข้าถึงความเป็นพระอราหันต์ก่อนท่านเศด็จีอีกเน mm hmm. ่หัวใจของคนหลงตาท่านว่าไม่มีหัวใจผู้หญิงไม่มีหัวใจผู้ชายใจไม่มีเพศหญิงไม่มีเพศชายแต่ทําไมเรายึดอ่ะเรายึดเลิกเกินเรายึดเลิกเกินเพราะกี่กับกี่กันกี่ปุเรชาตมาแล้วเรายึด เราได้เพศหญิงด้วยกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็ยืดแล้วเกินยืดแล้วเกินเราก็สําคัญมั่นหมายว่าเป็นผู้หญิงเพราะเราได้เพศชายด้วยกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็ยืดแล้วเกินยืดแล้วเกินว่าเราเป็นผู้ชายด้วยความยืดเหล่านี้แหละมันจึงทําให้เราสําคัญมั่นหมายว่าเราเป็นผู้ชายเราเป็นผู้หญิงท่านว่าหัวใจหรือจิตใจไม่มีผู้ชายไม่มีผู้หญิงไม่มีผู้ชายไม่มีผู้หญิง ไม่มีเพศท่านว่างั้นน ะ, ะไม่มีเพศด้วยแล้วก็ไม่ตายด้วยไม่มีเพศก็คือคืออะไรธาตุนั้นก็คือธาตุสัจจวัตรรู้สัจจวัตรธาตุรู้แต่ว่ามโนธาตุมโนธาตุธาตุน้อมมนายาตนะอายาตนะที่เป็นใจเป็นเครื่องต่อมนายาตนะท่านก็เรียกมนาญาตนะก็คือใจมโน ก, ก็คือใจจิตก็คือใจ วิญญาณก็คือใจใจก็คือใจสิ่งเหล่านี้คือกิริยาอาการของผู้รู้คือธาตรู้พวกเรามีธาตรู้คนละหนึ่งดวงแต่ที่เรียกชื่อแตกต่างกันมากมายนั้นเทียบตามกิริยาอาการของมันเหมือนอย่างเข้าเรียนอภิธรรมในอภิธรรมท่านจำแนกขิดออก แปดสิบกว่าดวงร้อยกว่าดวงแท้ที่จริงก็คือเรียกตามกิริยาอาการเรามาดูแค่ขันห้าของเราเนี่ยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้เป็นอาการของผู้รู้เป็นอาการของผู้รู้ไม่ใช่ตัวผู้รู้ไม่ใช่ตัว่ารู้เป็นอาการของผู้รู้กาย เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกายก็เป็นอาการของผู้รู้โดยเหตุที่จิตอยู่ในภพภูมิที่ไปจับจองมีรูปธรรมและก็มีนามธรรมเหมือนอย่างพวกเราเป็นมนุษย์เราข้ามีทั้งรูปธรรมแล้ก็มีทั้งนมามธรรมความเป็นไปของจิตความเป็นไปของธาตุรู้ของผู้รู้หากเกิดขึ้นมาตั้งแต่กับกับกนปุริชาตไหนเราก็ทราบไม่ได้ แต่ทุกคนมีมาแล้วไม่รู้คนละ ก, กี่กับกี่กันนั่นแหละเราดูแต่พระพุทธเจ้าท่านทรงระลึกพบชาติของพระองค์ได้นะ่ะเป็นกับกับปุกเพนิวาสานสุสติญาณญาณอย่างหนึ่งทําให้พระองค์ทราบถึงพบชาติที่พระองค์เกิดตายเกิดตายเกิดตายเกิดตา ย, ตายนานเนิ่นนานเป็นกับกับเป็นสังวัตกับเป็นวิวัตกับนี่คือระยะเวลาที่เนิ่นนานมากระลึกไปได้ไม่รู้จักจบไม่มีที่จบ นี่คือการที่ธาตุรู้ของเราอุบัติเกิดขึ้นมาหาต้นต่อไม่เจอเพราะฉะนั้นเราไปดูในหลักปฏิจจสมุปบาทท่นานทราบท่นตั้งเอาไว้อะไรเป็นปัจจัยเกิดกองสังขารท่านว่าอวิชชาอวิชชาเป็นปรยาชั้นเยี่ยมสำหรับเราจะทําความเข้าใจอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารรูปของเราสังขารนามของเรา สังขารรูปของเราสังขาร น, นามของเราสังขารรูปก็คือร่างกายสังขาร น, นามก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรวมแล้วก็คือจิตจิตคือผู้รู้คือธาตุรู้ทั้งธาตุรู้ทั้งธาตุไม่รู้เป็นสภาวะธรรมเป็นมูลเดิมที่มีประจำอยู่ในโลก เป็นของดั้งเดิมในโลกเป็นของมีอยู่ในโลกเป็นของเกิดมาพร้อมกับโลกพวกเราท่านทั้งหลายเกิดขึ้นมาเนิ่นนานเท่าไหรเราไม่ทราบแต่หากมีธาตุไม่รู้คือกายดินน้ำลมไฟถ้ารู้คือจิตมาเกี่ยวข้องกันเราเกิดขึ้นมานานเท่าไหรเราก็ทราบไม่ได้แต่จิตดวงนี้เกิดมาแล้วไม่บอบนิ่ว มีสิ่งไม่บริสุทธิ์ปนเปื้อนมาด้วยไม่ได้ชะล้างขัดเกลาตัวเองมาตั้งแต่ชีแรกก็เลยหลวมเลยเหลืองอ่เลยมีพฤติกรรมทำให้พฤติกรรมเหล่านั้นมีเศษมีผลหลงเหลือเป็นเครื่องดองเป็นอาสวะเป็นของดองจนกลายเป็นนิสัยจนกลายเป็นอนุสัยกลายเป็นสันดาน กลายเป็นกิเลสกลายเป็นตัณหาเราดูออกไหมตัณหาเราย้อนไปดูที่ใจของเราตัณหาเราดูอดอกไหมเราดูทันไหมเราจับทันไหมเราดูไปที่ใจของเราย้อนไปที่ใจของเราถ้าไม่ใช่นักปฏิบัติแล้วจะเข้าใจา ย, ยากจะย้อนไปดูได้ยากไม่ทันมันแหละแต่ถ้าเป็นนักปฏิบัติแล้วย้อนไปเราจะเห็น กันหดจอออยู่นั้นเดี๋ยวมันจะโผล่ขึ้นมาล่ะกันหมดจออเดียวมันจะโผล่ขึ้นม า, นร เ, มนนมาเราจับความอยากของใจจับความอยากของกิเลสนั่นแหละคือมณฑินของผู้รู้ใครสร้างให้มันใครทําให้มันมันเป็นมาเองมันปนเปื่อนมาเองพระพุทธเจ้าจึงเป็นบุคคลที่เยี่ยมที่สุดประเสริฐเลิศที่สุดสามารถ แยกสิ่งที่ปนเปื้อนออกมาจากพระไท่ของพระองค์จนเหลือแต่ผู้รู้ที่บริสุทธิ์หนึ่งเดียวเหลือ ผ, ผู้รู้ผู้บริสุทธิ์หนึ่งเดียวแล้วไม่หมดไปจากโลกนะไม่หมดไปจากโลกแต่หากโลกไม่เห็นเพราะผู้รู้ที่บริสุทธิ์นั้นไม่ได้าพาาพิงสมมตุติใครอยากเห็นพระองค์พระองค์ให้ตั้งใจปฏิบัติธรรมผู้ไดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรา ผู้ใดเห็นเรา่าผู้นั้นเห็นธรรมแท้จริงองค์พุทธะแท้ๆก็คือคุณธรรมที่จะพึงพึงเจริญพึงเกิดขึ้นในหัวใจของเราหนีเองนี่คือองค์ของพุทธะแท้คือพระพุทธเจ้าแท้เพราะสมัยที่พระองค์จะทรงตรัสอันนี้พระวักลิวักลิพวกเราอานจะเคยได้ยินไปบวชติดตามพระพุทธเจ้าด้วยรักชอบใน รูปพันสันฐานของพระพุทธเจ้าพระวักกะีเนี่ยนะเป็นประเภทติดในรูปรูปเปกประมาณิกามีรูปเป็นประมาณพระวักกะลเนี่ยไปไหนก็นดูตามรูพพุทธเจ้าดูแล้วก็คงจะกรยิมยิ้มย่องคงจะระคงจะยินดีคงจะพอใจพระพุทธเจ้าท่านรูปงามมหาบพธิสารลักษณะรูปงามดูตรงไหนเต็มตาเต็มใจช่วยง่าไปหมด จนพระวกระลิกติอดพระพุทธเจ้าทั้งกระดูตาข้างนอกทั้งก็ดูไปตาข้างในทั้งก็ดูไปพระองค์นี้คอยดูช่องคอยดูโอกาสคอยดูบา ร, รมีอินทรีย์ในหัวใจของเขาเพราะได้ช่องได้จังหวะพระองค์ก็เต็เพลิดเลยเธอจะมาเดินดูอะไรกับร่างกายอันเปืวยเน่าของเราอืมถึงแม้ว่าเธอจะเดินจับชายชีบอนเราก็ไม่เชื่อว่าเธอเห็นเรา แล้วพระองค์ทรงตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมเพราะว่ากัลลิภพอโดนทเพิดอย่างนั้นเนี่ยเสยียใจมากเราจะกระโดดเหวตา ย, ยางั้นนะเพราะว่ากัลลิภกำลังทําท่าจะกระโดดเหวตายพจะพุธทธญาณรู้เนี่ยมาอยู่ในเรนด่าของพระองค์หมดแล้พระองค์ก็แผ่รัศมีให้เห็นพระวรากายของพระองค์ขวางหน้าอยู่จิตใจในเมื่อหมดหวัง จิตใจตรงนั้นก็ต้องเรียกร้องไปเรื่องธรรมดาเรียกร้องสิ่งที่หวังจิตเกิดความหมดหวังเสียอกเสียใจจนถึงขั้นจะ ก, กระโดดเที่ยวตายมุติเจ้าแผ่ให้เห็นพระโอพอเห็นเท่านั้นแหละมันมีสิ่งที่หวังตอบรับรูบ้วิจินดีลอยขึ้นมาสงบระงับโดวยวิปัสสนาเพ่งกําหนดสงบระงับโดวยวิปัสสนาได้เป็นพระอรหันต์ตอนนั้นเลยนี่พระวกรักลิ นี่คือพระพุทธเจา้าเราเราเห็นไหมโกนโนบายของพรนะพุทธเจ้าเนี่ยชลารอบรู้สัรพัณฑ์เป็นหมอยิ่งกว่าหมอซะอีกคนนี้มีวิสัยยังไงที่จะได้รู้ธรรมจะได้เห็นธรรมสาวกองค์นั้นมีวิสัยยังไงจะได้รู้ธรรมยังไงจะได้เห็นธรรมยังไงเหมือนอย่างพระนันทะเนี้ยพระนันทะอีกองหนึ่งพระนันทะนี่เป็นน้องชายของพระองค์ ตามมารดามีวันหนึ่งนันท์แต่งงานกับนางชนบทกัลยาณีนิมนต์พระพุทธเจ้าพระสงค์สาวกไปเสวยพระกาหารที่กบิลพัฒน์พระพุทธเจ้าไปเสวยพระกาหารเสร็จให้นันท์อุ้มบาตรตามตามไปที่วัดวัดคือที่นิโครธารามไปที่นิโครธาราบนันท์ ไม่อยากทั้งๆ ท, ที่ไม่อยากไปแต่พระพุทธเจ้าใช้ให้อุ้มบาทตามนันทาก็อุ้มบาดตามไปคิดอยู่ในใจคิดถึงแฟนใหม่แต่งงานกันจดๆร้อนๆยังไม่ได้แตะต้องกันเลยอ่ะ<ม>เจ้าพี่ให้รีบกลับเจ้าพี่ให้รีบกลับมาดูตามแฟนดูตามอุ้มบาทไปเฝ้า อ, อุอ้มอุ้มบาดตามหลังพุทธเจ้าไป คิดว่าพระองค์หันหันมาที่ไรเมื่อไหรจะส่งบาตรและจะกลับจะส่งบาตรแล้วจะกลับพระองค์ไม่หันมานะ่ะเดินไปจนถึงจนถึงวัดพอถึงวัดแทนที่จะรับบาตรถามนั้นะเธอจะบวชหรือตา ย, ยอะไรชนิดด้วยความเกรงอกเกรงใจรับปากจะบวชพระเจ้าข่าเลยบวชบวชแล้วก็ไม่เป็นอันภาวนาคิดถึงเรืนั้นจนบทกลยานี เสียงก้องอยู่ในในหูเนี่ยเจ้าพี่ให้เรียกลับเจ้าพี่ให้เรีบกลับเป็นไงนันทะภาวนาสงบไหมคิดถึงเจ้นางชนบทกครยาณีพระเจ้าค่าเออไม่ยากไม่ยากเห็นแล้วเห็นช่องออกแล้วไปไปเราพาไปดูนางฟ้าเนรมิตร er พาไปดูนางฟ้าผ่านานางลิงก็ไปเห็นเทวดาชั้นต่าๆเป็นไงนันทะงามไหมงามพระเจ้าข่า เอาแล้ น, น้ำชนบทของเธอเป็นไงอุยตอนนี้น้งชน บ, บทเหมือนนางลิงไปเจ้าข่าใจมันถอนไปแล้วเห็นไหมนี่คือความไม่แน่นอนของใจเปลี่ยนไปเรื่อยแม้แต่เทวดาชั้นต่าๆงามขนาดนั้นขึ้นไปดูอีกชั้นที่ละเอียดขึ้นไปอีกชั้นที่ละเอียดขึ้นไปอีกชั้นที่ละเอียดคือใจมันเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยไปถึงชั้นที่ว่างามที่สุดอืมชอบไหมชอบไหมต้องการไหมต้องการไปเจ้าข่า ถ้าต้องการลงจ า, จากนี้ไปไปตั้งใจภาวนานะเราจะเอาให้เนี่ยพุทธเจ้าล่อล่อนันท์ักให้ตั้งใจภาวนาเราจะเอาให้พอลงไปไปตั้งใจภาวนาเดินจงกรมนั่งสมาธินั่งภาวนาตามที่พระพุทธเจ้าท่านบอกถ้าเธอตั้งใจภาวนาเราจะเอาให้พอตั้งใจภาวนามูเพื่อนก็เห็นแปลกเอ้านันท์ักเมื่อก่อนภาวนาไม่ได้ ตอนนี้หลังจากลงมาที่พระรูปเจ้าพาไปดูนางฟ้านางสวรรค์กลับมาแล้วนี่เห็นตั้งอกตั้งใจภาวนาดีเหลือเกินไปไปมาเรื่องกันเลยแต่ว่าพระนันทานี่ตั้งใจภาวนาเพราะอยากได้นางฟ้าอยากได้นางฟ้าคนนั้นก็ซบซิ บ, บคนนี้ก็ซบซิ บ, บคนนั้นก็ซบซิ บ, บโอ้พระนันธานละอายแก่ใจอย่างแรงเลยชนีดหัวใจที่มันเคยเกาะกํานางฟ้าที่งามที่สุดนั่นแหละ ก็ถอนมาถอนมาเห็นเป็นโทษเลยตอนนี้เพราะอะไรเพราะฟังเสียงรบเร้าเสียงนินทาไม่ได้กลายเป็นโทษใจมันก็ถอนมาแล้วถอนจากนางฟ้าที่หว่างงามที่สุดที่ว่าพระพุทธเจ้าจะเอาให้นีมันถอนเข้ามาแล้วถอนมาอยู่กันเนื่อกับตัวเละทีนี่อุบายวิธีของพระพุทธเจา้าความพระอายของพระนันทะทําให้พระนางฟ้าเนี่ยเห็นทุกข์เห็นโทษ ในความรักแล้วก็ปล่อยทิ้งจิตเป็นอิสระมาตั้งอกตั้งใจภาวนาพระนันทะได้เป็นพระอรหันต์ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในเวลาต่อมานี่คืออบายของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านทารุณไหมคนแต่งงานใหม่ๆยังไม่ได้แตตต้องกันเลยทารุณไหมสิ่งเหล่านี้มันจําเจมากี่กับกี่การกี่ผู้ริชาติมาแล้วถ้าพระองค์ไม่ตี ไม่ตีเหล็กหน้าเตากําลังร้อนๆเนี่ยจะให้เป็นนู่นเป็นนี้จะทําไงได้ทําไม่ได้และถ้าไม่ใช่วิสัยของพระศาสดาก็ทําไม่ได้ภาษาวกแบบนี้เป็นพระสาบกประเภทประเภทพุทธเวนไนพุทธเวนไนต้องฟังอบายต้องฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าเท่านั้นเหมือนอย่างพระวกะลิปเออย่างเนี้ยเหมือนอย่างพระนันทะเออย่นี เหมือนอย่างพระวกริเหมือนอย่างพระนันทะเหมือนอย่างพระอ่าพระอะไรนะอ่าพระอะไรที่ที่พี่ชายไล่ให้ไล่ให้ไปสึกน่ยพระอะไรพระจุลบรรธกพระจุลบรรธน์ก็เป็นพระสาวอิรประเภทหนึ่งต้องได้ฟังอบายได้ฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าเท่านั้น ถึงจะได้อ่านได้ทําพระจุลปันทกเนี่ยบวชทั้งพี่ทั้งน้องพี่ชายบวชก่อนพี่ชายเป็นบวชไปแล้วเป็นบวชนานเป็นพัตุเทศมีหน้าที่แจกพัดคําว่าแจกพัดหมายความว่ามีอุบาสกอุบาสิกาเข้ามาในมนต์ให้ไปรับทานที่บ้านก็แจกพระไปรับเขาเรียกว่าพระตุเทศพัตุเทศพระจุลปันทุกเนี่ยพี่ชายสอนให้เรียนคาถาสี่แถวอะ ไอสองแถวสองแถวสี่ท่อนหนึ่งคาถาตลอดทั้งปภาษาจําไมนะ่ได้ตลอดทั้งภงาษาสี่แถวจําไม่ไ ด, <อ> ด, ไได้พี่ชายเลยทรมานเนี่ยนะ<อ>พี่ชายเลยทรมานมีคำมณีม์ามามให้ไปฉันทิข้างนอกมากก็ให้แต่พิ่สุงองค์อื่นไปหมดแต่น้องชายไม่ให้ไปน้องชายเสียใจเสียใจเลยว่าจะกลับบ้านจะกลับไปสึก เรื่องทั้งหมดอยู่ในเรดาร์ของพุทธเจ้าหมดพระจิตของพระองค์ราบทราบภายในข้างในหมดพระองค์เปิดควางทางเอาไว้เธอจะไปไหนอพระทั้งหลายเขาไปฉันที่บ้านหมอชีวกแต่จุลวรรษถกจะกลับบ้านจะกลับไปศึกจะกลับไปศึกพระเจ้าข้าอา้าวอะไรให้เป็นไรนะ่ะัะพี่ชายทําให้ได้รับความอับอายจะไปศึก <c oughs> เข้ามานี่มานี่ย <c oughs> รู้ิญาณทันเรียกมาเนี่มานี่มานี่เธอไม่ได้บวชมาเพื่อพี่ชายเธออุทิศบวชมาเพื่ออุทิศเพื่อเราเนี่ยไม่ใช่บวชมาเพื่อพี่ชายมานี่ยมานี่ยมานี่นั่งให้นั่งแล้วเนรมิตระ้าขาวให้นี่นะพระขาวขาวผ่องนะเอามาวางบนมือแล้วก็บริกรรมไปบริกรรมไปแล้วคล่ำไปลูกไปกล่ำไประโชหระนังระโชหรณนังระโชหระนังลูกไปลูกไปลูกไปลูกไป ให้เชื่อให้ทำตา ม, ตามให้นั่งให้ทำให้นั่งบริกรรมทำอยูนั้นแหละทำไปทำไปลูบไปลูบไปผ้าขาวๆลูบไปลูบไปลูบไปมันสีมันคล้ำลงคล้ำลงคล้ำลงคล้ำลงคล้ำลงคล้ำลงมันสกปรกเพราะเอามือไปลูบผ้าขาวเนี่ยเลยเห็นความสกปรกของตัวเองได้ปฏิบูลสัญญาแน่พระจูมันทกนะนี่คือวิสัยของพระบุรีเจ้ามองเห็นทะลุผุโปร่งหมดห่า สพัพพกุกนี้จะได้ด้วยวิธีการยังไงจุล ม, มัทบรุษเห็นความสกปรกของตัวองได้ปฏิกูลสัญญารู้ที่ท่านทรงแผ่ลักษณะให้พิจารณาเป็นวิปัสสนาได้บรรลุธรรมได้บรรลุธรรมเข้าเข้าถึงความเป็นพระอรหันต์พร้อมด้วยวิชาพลิกจิต เข้าถึงคุณณพิเศษเขาเรียกว่าวิชาพลิกจิตพริกจิตหนึ่งองเนี่ยแปลงให้เป็นหนึ่งพันได้นะบนรรลุแล้วเป็นพระอาหารหันต์แล้วนะพร้อมด้วยวิชาพริกจิตพระพุทธเจ้าไปฉันที่ไปเสวยที่กับพระสงฆ์ไปเสวยที่บ้านหมอชีวกกาลังจะให้พรพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าเขากลังจะนิมนต์ให้พร ยังมียังไม่หมดยังมีพระอยู่ที่วัดไปตามไปตามพระอยู่ที่วัดยังมีพระอยู่ที่วัดอยู่คนเขาก็ไปตามไปตามที่ไหนได้ว่าพระหนึ่งองค์มีพระอยู่ที่วัดหนึ่งองค์ไปมันไม่ใช่หนึ่งองค์พระเต็มวัดไปเลยพระจุลปันทกเนี่ยแพลจากหนึ่งองค์เป็นพันพันองค์อยู่ในวัด น, นี่คนที่ว่าโง่ที่สุดพอเวลาได้ฉลาดด้วยอุบายอ่ไม่มีใครเท่าเละ สมัติแปลงจากหนึ่งคนเป็นพันหนึ่งพันองได้โอ้ไม่ใช่หนึ่งองเลยพระเต็มมนันกลับมาบอกไปไปเรียกมาใหม่ไเรียกไปจุลปันทกไปจุลปันทุกพอไปก็ไปออกชื่อเรียกกลับไปใหม่ไปเรียกอีกอไปเรียกไปจุลปันทกองนั้นก็จุลปันทกองนี้ก็จุลปันทกจุลปันทุกทั้งนั้นเลยไม่รู้จักไม่รู้จักใครล่ะกลับมาอีกโอ้จุลปันทกเต็มไปหมดเลยกลับ ม, มาอีก บอกไปอีกให้ไปเรียกใครบอกว่าจุลบัญฑรให้ไปจับมือคนนั้นพอไปจับมือหาย ห, หมดเลยไอ้ที่เป็นพันๆหายไปหมดนี่เราพูดถึงว่าพระสาวกประเภทพุทธเวรไหนพุทธเวรไหนต้องได้ฟังได้ฟังคํำอบรมอุบายวิธีจากพระพุทธเจ้าเท่านั้นถึงจะได้พระภุมทธเจ้าท่านดูทะลุปปโปร่งหมดแล้วด้วยบุญญาบารมี ย า, ย, ยานสัพพัญญุตญาณสัพพัญญุตญาณเรารู้แต่ว่ามันจะมีอะไรกีดขวางพระองได้ทะลุโปรโโ ป, ปรปไปหมดออื <Ooh. S 1> บางองค์ไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นนะบางองค์ที่อย่างภาษ า, า, ษาบุตรเนี้ยท่านได้บรรลุธรรมเพราะท่านได้ฟังธรรมะจากพระอาสิชิไปเห็นพระอาสิชิเนี่ยมีกิริยาท่าทางที่งามที่สุดแปลที่สุดกว่านักบวชอื่นเลื่อมใสศรัทธา พระอาเซจิกำลังบินทบบาทพระอาเซิในกลุ่มของปัญจวัคคีเน่ยตอนนั้นเป็นพระอาหารหันแล้วเดินตามหลังไปเพราะได้จังหวะเหมาะท่านกําลังจะปูผ้าปูอะไรนั่นขบชันอย่นั้นท่านก็ไปทําหน้าที่แทนจัดโน้นให้จัดนี้ใ ห, จให้จัดอะไรให้เสร็จแล้วก็ขอฝังธรรมพระอาิชจิท่านก็บอกว่าท่านเข้ามาสู่พระธรรมวินัยใหม่จะแสดงเฉพาะหัวธรรมเป็นข้อแสดงเฉพาะข้ออัดข้อทําให้ฟังเท่านั้น ก็นิมนท่านแสดงเฉพาะข้อขาอขาทำให้ฟังเถอะพระอาษิกิก็เลยแสดงว่าเยธรรมาเหตุต e ุปภภาวสิ่งนั้นเกิดตเหตุสิ่งนั้นจะดับก็เพราะเหตุดับแต่แค่นี้เองภาษาริบุตรได้ดวงตาเห็นธรรมเสร็จแล้วก็ไปบอกพระโมคคัลนะที่เป็นเพื่อนพระโมคคัลนะฟังจากพระสารีบุตรอีกทีหนึ่งได้ดวงตาเห็นธรรมอันนี้เราจะว่าไม่ใช่วิสัย อของพระพุทธเจ้าก็ได้เพราะฟังจากพระสาวกก็ได้บรรลุธรรมได้แม้แต่องค์อื่นๆก็มีมีอยู่สองประเภทอย่างนี้แหละนี่เราพูดถึงอะไระเบ็ดเตล็ดประบปลายไปเรื่อยตั้งแต่เราพูดถึงเรื่องศีลศีล ส, สามารถระ ง, งับดับกิเลสที่แสดงออกมาที่กิริยากายทำให้กายกรรมบริสุทธิ์กิริยาวาจาทำให้วาจาของเราบริสุทธิ์ เป็นไหวกี่กรรมบริสุทธิ์สีเลนะสีสินคำว่าศินสินแล้วว่าปกติปกติเมื่อก่อนเราคิดไม่ออกศิลท่านว่าปกติท่านว่าปกติปกติอะไรเนาะปกติอะไรนาะคำว่าศิลปกติปกติก็คือกายกรรมปกติไหวจีกรรมปกตินี้เองเพราะมารักษาศิน มาประพฤติธรรมมาปฏิบัติธรรมสินเป็นทั้งสินเป็นทั้งธรรมเหมือนอย่างที่ยกตัวอย่างพระมกขลักษณะนั่นแหละสิลขาดด้วยก็เป็นเป็นภัยเป็นบาปเป็นกรรมอีกด้วยนี่สิลเป็นทั้งสินเป็นทั้งธรรมพราะล่องล่องละเมิดข้อไหนข้อหนึ่งปั๊บมีกรรมติดเนื้อติดตัวสินขาดไปแล้วแต่สินสามารถต่อได้แต่กรรมจะต้องตามให้ผลเหมือนอย่างอดีต พระมคคัลลนะพอท่านฆ่าแม่ปักท่านมาเราเลิกได้โอ้เราเดินทางผิดแล้วกลับใจใหม่อ่ากลับใจใหม่ภาษาธิบุตรยุคนั้นสมัยนั้นที่เป็นเพื่อนกันขอให้เป็นอขาะาสาวกเบื้องซ้ายก็เลยมาสร้างบา ร, รมีด้วยกันจนบา ร, รมีเต็มมาชาติสุดท้ายมาได้เป็นอาคะาสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาเป็นอาคะสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาบุญกรรมที่เราทํา บาปกรรมที่เราทํากับบุญกรรมที่เราทํามาคนละสายเป็นภาชนะเก็บบุญภาชนะหนึ่งผาชนะเก็บกะบาภาชนะหนึ่งเหมือนอย่างท่ามบอกขนาดนั้นกรรมที่ท่านทํากับแม่อันก็เป็นกรรมอันหนึ่งกรรมนั้นยังให้ผลไม่หมดกรรมจะต้องตามให้ผลท่านมาพลิกเปลี่ยนชีวิตใหม่ ตั้งใจบำเพ็ญบารมีเพื่อความเป็นพระอัคคสาวกเบื้องซ้ายบารมีของท่านก็บเต็มอยู่นั้นแต่กรรมก็ตามเล่นงานอยู่นั้นไม่จบเพราะกรรมมันให้ผลอย่างไม่หมดอย่าลืมว่าความดีกับความชั่วบุญกับบาปที่เราทํามันจะมีภาชนะเก็บของไข่เขาเมันมันไม่ใช่มันจะให้ผลปะให้ผลปะปนปนเ ป, ปกันไม่ใช่เป็นของไขของเรา ท่านคึงว่าลบล้างกันไม่ได้จะพยายามทําเพื่อจะหนีเหมือนอย่างพระมรณะทำทำชั่วสร้างคุณงามความดีเพื่อจะหนีสิ่งเหล่านั้นสามารถทําได้ชาติสุดท้ายท่านได้เป็นอัคคะสาพกเบื้องซ้ายเลิดด้วยฤทธิ์และด้วยเหตุที่กรรมเก่าของท่านเนมาประจบ ก, กับกรรมใหม่มาประจบ ก, กับกรรมใหม่กรรมใหม่เช่นยังไงท่านสามารถไปสวรรค์ได้ถ้าสามารถไปนรกได้ เอาเรื่องสวรรค์เรื่องนรกมาเล่าให้ชาวบ้านฟังชาวบ้านเริ่มใสศรัทธาทำบุญให้ทานทาให้พวกเดรถถัจฉีเนี่ยเสื่อมราบมาดลึกว่าใครทําให้เราเสื่อมราบสักการะนี่แหละพระมกขลานะนี่แหละเลยให้ให้นักเลงมาจัด ก, การนี่คือกรรมใหม่กรรมเก่าก็คือท่านมีกรรมเหล่านั้นติดตัวมาแล้วพอมาประจบกับกรรมใหม่กรรมก็เล่นงานตามเล่นงานท่านได้เลยกรรมยังไม่หมด เขาก็วางแผนะไปฆ่าท่านอท่านนางภาวนาอยู่พอเขาขึ้นไปท่างหอออกทางหน้าต่างท่านมีฤทธิ์เนี่ยเข้าไปวารณะที่สองไปไปตั้งใจจะไปฆ่านะท่านหอออกทางหน้าต่างเนยท่านมีฤทธิ์เนอ่ยเป็นผู้เลิศโดยฤทธิ์พอไปวาระที่สามเออพิจารณาถึงกรรมเล ย, เยมันเป็นผลของมันเป็นกรรมของมันมันมาตามเอาเศษกรรมของมัน ก็เลยเข้าฌานกึ๊บกับขึ้นมาทันทีนักเลงหรือจรที่ไปฆ่าท่านกระทบตีท่านจนคิดว่าแรงแล้วแหละเสียลักลาเอาไปทิ้งที่ที่ก่อไม้อย่างนั้นนะเพราะได้ระยะเวลาที่ท่านกําลังเข้าฌานท่านก็นออกมารู้สึกตัวมาโอ้อยู่ไม่ได้แล้วเยร่างกายเละหมดแล้วเนี่ยเลยไปทูลลาพระพุทธเจ้าเพื่อปรินิพานพระพระโมคคัลลานนะ นี่คือกรรมทําไปแล้วให้ผลอย่างไม่หมดจะต้องตามมาเล่นงานจะต้องตามมาสนองจนชาติสุดท้ายจิตของท่านเป็นพระอรหันต์แล้วมันก็ยังตามมาเอาเศษกรรมของมันความเป็นพระอรหันต์ไม่ใช่อาตภาพร่างกายความเป็นพระอรหันต์คือความพ้นทุกข์ที่จิตร่างกายเป็นเศษกรรมที่ตามมาเนี่ยเป็นเศษกรรมที่ตามมาเพราะฉะนั้นภาวะแบบนี้จึงมีได้จึงเกินได้ ทำไมท่านมีคุณธรรมถึงขนาดนี้ทำไมท่านไม่สามารถสงบระงับสิ่งเหล่านั้นได้กรรมไม่มีใครสงบระงับดับได้จำเป็นจะต้องสนองก็จะต้องสนองจนจบไปดักแปลงแก้ไขไปทำอะไรไม่ได้ทั้งนั้นเพราะมันเป็นผลสะท้อนจากกิริยกรรมที่เราทำทีกรรมให้ผลได้ยังไงกรรมกรรมให้ผลได้ยังไง กรรมให้ผลได้ตามไปให้ผลเราได้ทุกขนทุกแห่งกรรมไม่ต้องตามหาไม่ต้องถามหาจากใครทั้งนั้นทําไมกรรมมันถึงเห็นเราไปอยู่ที่ไหนอยู่ใต้ท้องฟ้ามหาสมุทรที่ไหนกรรมไปตามเห็นเราเล่นงานได้หมดสามารถให้ผลข้ามภพข้ามชาติกี่ภ พ, ก, พกี่ชาติก็ดูแต่พระบุคลาภะห้าร้อยชาติกรำให้ผลข้ามภพข้ามชาติเป็นพลังงานที่ให้ผล ข้าพบข้ามชาติได้ก็คือพลังของกรรมเนี่ยมันให้ได้ยังไงสิ่งที่เป็นต้นกําเนิดของกรรมก็คือจิตก็คือผู้รู้ก็คือธาตุรู้เวลามันแสดงกิริยาอาการอย่างใดอย่างหนึ่งไปแล้วทําให้เกิดปฏิกิริยาตอบโต้กลับมานั่นก็คือผลผลของกรรมกรรมให้ผลต่อเมื่อถึงการถึงคราวที่เขาควรจะให้แต่ก็ให้ผลในขณะปัจจุบันนั่นแหละ เราเลิกได้นะคือกองทุกทุกที่หัวใจจากนั้นแล้วก็จะทุกถึงกายนี่เราพูดถึงกรรมกรรมให้ผลเรามาพูดถึงศีลจากนั้นก็ภาวนาทานศีลภาวนาจับหลักนะอย่าทิ้งหลักนะถ้าทิ้งหลักแล้วลืมน ะ, ะเราเริ่มพูดม า, า ต, ตั้งแต่เรื่องทานแล้วก็พูดถึงเรื่องศีลทานเราก็ยังต้องต่ อ, อก ก, กันกับกิเลสศีลเราก็ต้องต่อกอนกันกันกบกิเลส เพราะฉะนั้นการให้ทานน่ยถ้าพูดถึงอนิสงส์ให้ทานกับพระพุทธเจ้ามีภิกษุเป็นบริวารมีภิกษุณีเป็นบริวารก็ยังมีอานิสงส์สู้การให้วิหารฐานไม่ได้คำว่าวิหารฐานก็คือที่อยู่ถ้าเราจะเทียบก็คือวัดป่าสุขใจของเรานี่แหละสร้างเสนาสนะทั้งหมดนี่แหละคือวิหารฐาน มีผลมีอานสงฆ์มากกว่าถวายทานกับพระพุทธเจ้าก็มีมีพิกษุเป็นบริวารมีภิกษุณีเป็นบริวารมีพิสุณีสงเป็นบริวารมีภิกษุสง์เป็นบริวารขณะให้ทานกับพระพุทธเจ้าแท้ๆเนี่ยท่านพูดถึงลำดับการให้ผลของของอานิสงฆ์ของทานนะกลายเป็นว่าวิหารทานมีอานิสงฆ์สูงกว่าเนี่ยมีอานิสงฆ์สูงกว่าเพราะอะไรเพราะวิหารทานคือที่อยู่ที่อาศัย เป็นกระต๊บกระแทเหมือนอย่างเมื่อก่อนเรามาเราเห็นเราเห็นร้านที่มงจากน่ะวางตรงนั้นหลังตรงนี้หลังเต็มไปหมดพอมาครามี้ลบทิ้งหมดแค่ร้านมงจากก็ถือว่าเป็นวิหารฐานใครไม่เคยรักษาสิลรักษาสิลแล้วได้ไปอยู่ได้ไปนั่งได้ไปบาเพ็ญจิตไม่เคยสงบ ได้ตั้งความเพียให้จิตได้รับความสนุกไม่เคยมีปัญญาไปใช้ร้านั่นแหละนะพิจารณานั่งเภาานาพิจารณาให้เกิดปัญญาบางแดดบางฝนบางเหลือ บ, บางยุงเป็นที่นั่งได้เป็นที่นอนได้เป็นที่อยู่เป็นที่อาศัยโบราณท่านว่าให้ที่อยู่ให้ที่อาศัยเท่ากับให้ทุกสิ่งทุกอย่าง นี่เลยอา น, นิสงอา น, นิสง ม, มากกว่าให้กับพระพุทธเจ้าเองนะอา น, นิสงวิหารฐานพอเราพูดอย่างนี้เราก็เราลึกถึงวัดป่าสุดใจทราบว่าวันพรุ่งนี้จะมีการถวายเสยนาสนะถวายวัดถว่างั้นนะได้นะยินโฆษกรประกาศเราพูดตามโฆษกนั้นเนี่ยไม่รู้คนถวายไปกี่ครั้งแล้วเราก็ไม่ทราบนะแต่ทราบว่าพรุ่งนี้จะมีการถวายอีกถวายเสยนาสนะ เพราะฉะนั้นเราพูดถึงเสนาสนะเราก็เลยเระลึกได้ว่าวิหารฐานวิหารฐานวิหารฐานถอยวิหารฐานมากเท่าไหร่ก็ตามยังสู้ภาวนาไม่ได้แค่เราเจริญแผ่เมตตาภาวนามีอนิสงส์สูงกว่าวิหารฐา น, นอีกแน่มันจะขยับขึ้นมาเรื่อยๆสิ่งที่มีผลมีอนิสงส์ที่เลิศที่สุดที่ประเสริฐที่สุด ตั้งใจเจริญเมตตากรุณามุริตาอุเบกขาตั้งใจแผ่เมตตามีอันนสงฆ์เพราะการตั้งใจแผ่เมตตาทําให้ใจของเราสงบทําให้ใจของเราอ่อนน้อมทีนี้เรามาพูดถึงการแผ่เมตตาแผ่ยังไงแผ่เมตตาแผ่ในเมตตาก็คือสร้างความสงสารให้เกิดขึ้นใน ใ, นใจของเราแล้วก็พุ่งความพุ่ง ความสนใจไปที่คนๆที่เราไปเกี่ยวขอ้องแผ่เมตตาไปหาเขาแผ่เมตตายังไงจะได้ผลการแผ่เมตตาที่จะได้ผลนั้นที่จะทําให้ใจของเราเนี่ยมีความอ่อนน้อมมีความเมตตาอย่างถึงใจมีความสงสารอย่างถึงใจท่านจะต้องให้ เอาใจของเราไปเทียบกับใจเขาเอาใจของเขามาเทียบกับใจของเราเช่นอย่างคราวนี้เราเห็นคนนั้นเ็ามีความทุกข์มากไม่มีอาหารจะกินไม่มีเสื้อผ้าจะนุ่งจะห่มไม่มีที่จะอยู่จะอาศัยโอ้ถ้าเราเหมือนเขานออาหารจะกินก็ไม่มีเสื้อผ้าจะนุ่งจะหม่มก็ไม่มี เนาวจนจะเป็นจะตายรคภัยใกล้เจ็บมาเบียดเบียนทุกข์เหลือเกินถ้าเราเปลี่ยนวันเขาเราจะเป็นยังไงเนี่ยเทียบมาที่เราเอาเขาเทียบมาที่เราเอาเราเทียบไปที่เขามันจะทำให้ใจของเราเนี่สงสารขึ้นมาอย่างจับจิตจับใจการแผ่เมตตาเราแผ่อย่างนี้ได้ผลทำให้จิตใจของเราอ่อนน้อมได้อย่างรวดเร็วจิตที่อ่อนน้อมคือจิตที่สงบ ที่สัเพียงว่าจิตเบากายเบาจิตอ่อนกายอ่อนคําว่าอ่อนหมายความว่ามันอ่อนไปตามอารมณ์ธรรมเราจะเอาไปพิจารณาอารมณ์ธรรมใดๆก็ตามใจของเราจะอ่อนไปกับอารมณ์ธรรมนั้นๆแต่ถ้าตรงกันข้ามแล้วใจของเราจะแข็งกระด้างใจที่ขาดเมตาตากรุณาเนี่ยเป็นใจที่แข็งกระด้าง ลองใจที่แข็งกระดา้างลองเอามาเผานาะใจสงบไม่มีไม่มีไม่มีวันที่จะสงบใจจะสงบไม่ได้แต้ใจของเราแข็งกระดา้างเพราะฉะนั้นอารมณ์เมตตาจึงเป็นอารมณ์ของกรรมฐานเป็นอารมณ์กรรมฐานนะม เ, เมตตาพระมวิหารสี่ไปดูมันเป็นอารมณ์ของกรรมฐานนะทําให้ใจได้รับความสงบการที่เรามาตั้งใจแผ่เมตตาชั่วประเดี๋ยวก็น่ า, นานะมีผลมีอในสง มากกว่าวิหารทานอีกเพราะผลอันนี้เกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงกลิ่จิตใจของเราโดยตรงอย่าลืมว่าจิตใจของเราเนี่ยการที่เราตั้งใจภาวนาตั้งใจภาวนาเพื่อดัดแปลงดัดจิตนิสัยของจิตรองราใอยู่มันดัดได้ก็คือได้ดัดไม่ได้ก็คือดัดไม่ได้ดัดไม่อยู่จากคนที่เคยโหดร้ายทารุณเนี่ยดัดจนอยู่เนี่ยมีจิตใจที่เยือกเย็นมีจิตใจที่ชุ่มเย็น มีจิตใจที่เมตตากรุณานี่เราพูดถึงอนิสงฆ์มีอนิสงฆ์มากกว่าให้วิหารธานอีกเมตตาก็คือภาวนานี่เองหรือการทําจิตให้ได้รับความสงบนั่นเองเราเทียบมาที่พุโทโธพุโทโธที่เราตั้งใจภาวนานก็อันเดียวกันนั่นแหละเราต้องการให้จิตของเราสงบจิตของเราไม่สงบเราต้องการให้จิตสงบมันเป็นอุบายที่พระรูปเจ้าท่านสอนเรา กิเลสไปเล่นงานที่กายกรรมที่วิจีกรรมสามารถสงบระ ง, งับได้ด้วยศีลในเมื่อกิเลสมันไปเพ่นพ่านที่กายกรรมของเราวิจีกรรมของเราไม่ได้มันก็โดดดิ้นที่หัวใจพระุทธเจ้าท่านจึงให้ภาวนาสมถะภาวนาวิปัสนาภาวนานี่แหละวิปัสนาทั้งสองทั้งสมถะ ท, ทั้งสมถะภาวนาทั้งวิปัสนาภาวนา มีเหตุปัจจัยอะไรที่สําคัญที่สุดทําให้สิ่งเหล่านั้นเจริญงอกเงยขึ้นมาได้สติธรรมสัมปชัญญะธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมอยู่เท่านี้เป็นเครื่องไม้เครื่องมือผู้รู้ของเรามีคุณสมบัติที่เยี่ยมที่สุดที่เลิศที่สุดที่ประเสริฐที่สุดที่เราเอามาใช้ ทำงานให้เกิดผลเกิดประโยชน์เกิดอ น, นิสงฆ์ได้คือสติทำสติคือความระลึกรู้เราพูดอย่างนี้นี่เป็นเป็นหลักที่เรามามาเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการทําความเพียรภาวนาทั้งนั้นสติเราต้องต้องการให้จิตสงบให้อยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวพุทโธพุทโธพุทโธถ้าเราขาดสติพุทโธก็ไม่อยู่ ว่าไปว่าไปหลุดไปแล้วอะไรมันหลุดจิตมันหลุดหรือไม่พุโทโธหลุดหรือจิตหลุดก็ไม่รู้เลยหายไปแล้วเพราะขาดสติเป็นเครื่องผูกมัดอารมณ์เรานั้นให้อยู่ขาดสติสติจางแท้ที่จริงการที่เราตั้งกตั้งใจทำาูงภาพความเพียรสติของเราก็จะกล้าสัมผััญญะของเราก็จะกแกร่งสติปลุกจิตของเราให้ตื่นรู้ สัมปชัญญะประคอเราสามารถเอามาใช้ได้ทั้งสมถะเอามาใช้ได้ทั้งปิปักสนาหลงตาท่านให้ใช้สติพิจารณาการที่ใช้สติพิจารณาเพื่อตล่อมหลอไม่จิดของเราสงบท่านใช้คำว่าปัญญาอบรมสมาธิปัญญาอบรมสมาธิแท้จริงปัญญาอบรมสมาธิ ตามหลักที่ท่านพูดนั้นก็คือหลักในมหาสติปัฏฐานนั่นเองและวิปัสนาที่เร า, เามาพิจารณาเพื่อให้เป็นไปเพื่อจะเข้าไปรู้เห็นหลักอันนี้องทุกขังอนัตตาก็คือหลักในมหาสตินี้เองสมัถาคือทำให้จิตมีอารมณ์หนึ่งเดียวอยู่กับควาว่าพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธจะอยู่กับบทบริกรรมก็ตาม จะอยู่กับบทของกสิณที่เราเพ่งก็ตามให้จิตอยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวจิตของเรามันไม่อยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวมันโดดดิ้นในหัวใจของเรานะั้นกิเลสมันดิ้นมาที่กายที่หัวใจไม่ได้มันดิ้นที่ใจมันดิ้นไปไหนดิ้นไปในกระแสในวงจรของมันกระแสที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสเป็นโคโจรของมัน ตัณหามันดิ้นไปเพื่อรูปเพื่อเสียงเพื่อดิ่นเพื่อรถเพื่อสัมผัสอยากรูปอยากเสียงอยากดิ่นอยากรถอยากสัมผัสดังที่เล่าให้ฟังคราวเ่าที่ลงมาเนี่ยตัณหาเราความอยากตัณหาคือความอยากเราอย่าไปดูดวงสื่อคาว่าตัณหาให้เรามาดูมาที่ความอยากการมาตัณหาภ ว, ว, วะตัณหาวิภาวะตัณหาเราไม่ต้องไปแยก ให้เราดูความอยากที่เกิดขึ้นในใจของเราพุโทโธพุโทโธพุโทโธพอกระแสตันหามันแทรกเข้ามาได้เพราะสติเราอ่อนสมาธิเราอ่อนมันก็สวรมรอยเข้ามาได้มันมันยังติดค้างอยู่กับรูปอะไรกับเสียงอะไรกับกลิ่นอะไรกับเรื่องอะไรกับปัญหาอะไรมันดึงจิตเราไปแล้วอ่าจะอยู่กับอารมณ์เดียวอยู่ไม่ได้ จิตก็ไม่เป็นสมถะจิตสงบไม่ได้เราต้องการเภาไนาจิตอยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวเพื่อที่สงบระงับดับตัณหาแต่ถ้าเราเผลอพับตัหามันก็แทรกแทรกแล้วก็ไปในโคจรของมันเหมือนเดิมอ่ะแทรกแล้วก็ไปโคจรของมันเหมือนเดิมจิตไม่อยู่กับอารมณ์เดียวจิตหิวหลายอารมณ์หิวรูปหิวเสียงหิวกลิ่นหิวรสหิวสัมผัส เพราะฉะนั้นท่านเพียงให้เราบริกรรมพุทโธพุทโธป้อนอารมณ์หนึ่งเดียวอารมณ์เดียวอารมณ์หนึ่งเดียวนี้มันเป็นอารมณ์ที่เป็นธรรมอย่างเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสนั้นมารูปเป็นรูปอะไรรูปผู้ชายรูปผู้หญิงรูปที่รักรูปที่ชอบรูปที่มายุแย่ก็กวนรบเร้าให้เกิดกิเลสตัณหาราคะแน่รูปไม่รู้จักรูปอะไรนะเวลามันโผล่ขึ้นมา มันเป็นอาหารมันแสวงหาอาหารของมันอาหารอะไรที่แซ่บที่สุดอร่อยที่สุดมันก็จะไปแสวงหาอาหารเหล่านั้นแหละมันก็จะไปหาไอ้สิ่งที่เป็นเรื่องของกิเลสของมันนั่นแหละนี่ถ้ามันไม่อยู่ถ้ามันไม่สงบมันขาดจิตขาดสัมปัสชันญะทีไรเมื่อไร่มันไม่สงบมันหลุดคล้ายๆก็ว่ากระแสมันหลุดเชือกมันหลุดอเชือกมันหลุดเชือกมันหลุดจากอะไรเชือกมันหลุดจากจิต จิตมนุษย์อยากเชื่อพยายามจะเอาเชื่อไปมัดจิตแต่ว่ามัดไม่อยู่มันขาดมัดไม่อยู่มันขาดความอ่อนแอของสติของเราความอ่อนแอของสัมมาจัญญาของเราสมาธิของเราปัญญาของเราทำให้จิตของเราไม่สามารถจะเอาอารมณ์ที่เป็นธรรมหนึ่งเดียวให้โรธอยู่ได้มันถูกสิ่งเหล่านั้นแทรกเข้ามาจิตสงบไม่ได้ แต่ถ้าหากกำลังสติพอสมชันยักพอด้วยเหตุที่เราทำเรื่อยๆทำเนืองๆทำบ่อยครั้งเข้าจิตของเราอยู่จิตของเราข้างสงบ่อยสงบอยู่ขั้นไหนระดับไหนสงบละเอียดลึกเข้าไปเขาก็ไปตามความอุสาพยายามการที่เราเก็บสะสมเป็นวิบากเป็นผลเพิ่มถ้าเราอยู่กับสิ่งเหล่านี้จะทําให้เราเข้าใจเรื่องเรื่องจิตของเราได้ดีจะทําให้ใจของเราได้รับความสงบ ใจที่สงบนั้นมันจะไม่โดดดิ้นเหมือนกับใจที่ไม่สงบใจไม่สงบเป็นใจที่โดดดิน้นเห็นรูปมันก็ไปอยู่ที่รูปนั่นแหละมันไม่ได้อยู่ที่ตัวนะไต่ยินเสียงมันก็ไปอยู่ที่เสียงมันไม่ได้อยู่ที่ตัวเนะี่ยจิตนะั่นมันไปแล้วคิดถึงนู้นถึงนี้ที่ไหนก็ตามแต่มันไปตามเรื่องที่คิดแต่ถ้าจิตเป็นสมาธิจิตจะสงบ มีหูได้ยินอยู่มีตาได้เห็นอยู่มีสัมผัสได้สัมผัสอยู่แต่จิตมันจะไม่พรวดพรากมันจะมีหลังเกาะอยู่ข้างในเนี่ยยิ่งเกาะจนเป็นพื้นเป็นฐานด้วยแล้วสงบนิ่งโอกาสที่จะโดดดิ้นไปกับอารมณ์คืออารมณ์ไม่สามารถจะเข้าไปแทรกในในความสงบของจิตได้ นิสสงฆ์ัญสมาธิถ้าสงบขั้นถอนรากถอนโคนกิเลสตัณหาด้วยแล้วท่านว่าอารมณ์สักจว่าเห็นสักจว่าได้ยินจิตไม่ดึงอารมณ์เหล่านี้ไปวุ่นวายในหัวใจท่านท่านจึงเปรียบไปที่ว่าใบบัวใบบัวน้ํากลิ้งบนใบบัวน้ําไม่สามารถจะซึมเข้าไปในใบบัวอารมณ์ไม่สามารถจะซึมเข้าไปในในผู้รู้ดวงนี้ได้ รู้อยู่รู้ว่าดีรู้ว่าไม่ดีรู้ว่าถูกรู้ว่าผิดแต่ไม่ได้เอาไปคิดกวนให้วาบุ่นขุนโมยอยู่ในนั้นรู้แล้วก็ตกไปรู้แล้วก็ตกไปเหมือนน้ํากลิ้งบนใบบัวนี่เราจะมาต่อสู้ตรงนี้ได้ยังไงเพราะฉะนั้นเราสมถะเราจะพยายามทําความเข้าใจตรงนี้แหละให้จิตได้รับความสงบครูบาอาจารย์ท่านให้สงบมีกําลังพอประมาณทั้งให้พิจารณาการพิจารณานั่นแหละท่าเรียกว่า วิปัสนาวิปัสนาการพิจารณาให้เกิดปัญญาบางทีท่านเเรียกว่าปัญญาบางทีท่านเรียกว่าวิปัสนามันก็อันเดียวกันนั่นแหละพิจารณาให้เกิดปัญญาพิจารณาใเกิดวิปัสนาวิปัสนานั้นมันเป็นศัพท์ปัญญาก็เป็นศัพท์แต่มันยังเป็นคําที่เราเข้าใจได้ง่ายกว่าวิปัสนาแปลว่าเอาจิต เอาผู้รู้ที่มีสติที่ไหนที่มีสมาธิแนบแน่แนมั่นคงชัด เ, เจนพิจารณากําหนดจดจ่อดูสิ่งที่เป็นอารมณ์อยู่เฉพาะหน้าอารมณ์นั้นจะเป็นอะไรก็ตามท่านให้ดูและวให้ปลงลงสังเกตดูกิริยาอาการของสิ่งเหล่านั้นลนักษณะของสิ่งเหล่านั้นสิ่งใดๆก็ตามที่เป็นกองสังขารอยู่รอบข้างตัวเรารวมไปถึงตัวเรารวมไปถึงจิตของเรา สิ่งเหล่านั้นเป็นกองสังขารทั้งนั้นกองสังขารทั้งหมดเหล่านี้มีไตรลักษณ์ที่เรียกว่าอนิจจ์ทุกข์อนัตตาท่านให้ดูให้เห็นความไม่คงทนของมันเป็นทุกขงังเดี๋ยวมันเปลี่ยนไปเป็นอนิจจ์ไม่คงทนอยู่ในสภาพเดิมเป็นทุกขงังเปลี่ยนไปเป็นอนิจจ์ นี่คือลักษณะของสังขารสังขารใดๆก็ตามมีลักษณะอย่างนี้ท่านจึงเรียกว่าสามั ญ, ญลักษณะสิ่งที่อยู่รอบข้างตัวเราไม่มีสิ่งใดแม่หนึ่งเดียวที่จะไม่ใช่สังขารไม่มีสิ่งที่อยู่รอบข้างตัวเราเป็นกองสังขารทั้งนั้นกองสังขารใดๆก็ตามที่อยู่เท่าเดิมไม่มีต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปยังไงดูขวดระวางนี้ก็อยู่อย่างนี้แหละ ไม่เห็นไปไหนเราก็ว่าได้ก้อนอิฐก้อนหินบูนที่เราอยู่นี่ไม่เห็นไปไห น, นเห็นอยู่อย่างนี้แหละสังขารบางอย่างเปลี่ยนไปได้อย่างรวดเร็วเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับต่อนหน้าต่อตาเราสังขารบางอย่างเปลี่ยนไปในระยะที่ยาวนานเป็นเหล็กเป็นเหล็กกล้าเป็นเหล็กไหลเป็นเหล็กส เ, เตนเลสเป็นอะไรก็ตามแต่ แข็งที่สุดสนิมไม่กินนั่นแหละกี่ล้านล้านปีไปขา้างหน้ามันก็จะต้องเปลี่ยนรูปของมันแน่มันจะไม่อยู่เท่าเดิมมันจะไม่คงที่มันจะไม่เท่าเดิมคําว่าสังขารนั้นคือสิ่งที่มันไม่ใช่สิ่งหนึ่งเดียวมันเป็นสิ่งปรุงสิ่งประกอบทั้งนั้นเราดูอะไรบ้างที่เป็นหนึ่งเดียวทอยู่รอบข้างตัวเราไม่มีดูมาที่ไฟดูไปที่พัดลม ดูไปที่กระจกดูไปที่ต้นเสาดูไปที่เล็บมีอะไรเป็นสิ่งหนึ่งเดียวไม่มีเพราะฉะนั้นสังขารเหล่านั้นจึงไม่อยู่ในสภาพเดิมต้องเปลี่ยนไปเราดูเห็นง่ายๆเราดูมาที่ตัวเราเนี่ยสังขารเราอุบัตในท้องแม่ย้อนจากนี้ไปจนถึงในท้องแม่เราย้อนไปดูใช้ความรู้เราย้อนไปดูจนเห็นในท้องแม่ ในการกําเนิดของมนุษย์นั้นนะเขาว่าเกิดจากธาตุพ่อธาตุแม่ประกอบกันในท้องแม่เริ่มแรกด้วยน้ําหยดใสๆเล็กจนมองไม่เห็นน้ํำใสๆก้อนนั้นจะไม่อยู่เท่าเดิมเปลี่ยนตัวเองมาเรื่อยโตมาเรื่อยเปลี่ยนสีเปลี่ยนเป็นสีเป็นเลือดเป็นก้อนเลือดเป็นก้อนเนื้อโตมาเรื่อยโตมาเรื่อยโตมาเรื่อยไม่อยู่เท่าเดิม เพราะมันปรับปรุงมันบำรุงหามันเจริญในวัยที่มันเจริญและมันก็จะเสื่อมในวัยที่เสื่อมอันนั้นแหะคือกองสังขารสังขารพ่อสังขารแม่ไปประกอบกันแล้วไม่เคยอยู่เท่าเดิมลักษณะที่เรามองเห็นก็คือไม่คงที่ไม่เท่าเดิมความไม่คงที่เป็นทุกขงังทุกขงังทุกขังในหลักอริยสัจทั้งสี่อริยสัจทั้งสท่านหมายถึงทุกขัง คือสิ่งที่ไม่ไม่คงทนอยู่ในสภาพเดิมเปลี่ยนไปเปลี่ยนจากที่เป็นอยู่นี้ไปเป็นอย่างอื่นนี่คือทุกข์ัลักษณะกิริยาของการเปลี่ยนนั้นนะคืออนิจจงภาวะอนิจจงกับทุกขังนั่นแหละมันเป็นภาวะธรรมชาติใครไปดัดแปลงไม่ได้ดินาน้ำลมไฟที่อยู่นอกตัวเราเขาดัดแปลงได้ ดัดแปลงไฟได้เนี่ยไฟที่เราเขาดัดแปลงดัดแปลงลมได้เนห็นไหมพัดลมน้ําไหลลงที่ต่ําเขาดัดแปลงให้ขึ้นที่สูงได้สูงขึ้นดันขึ้นโน่นไปใส่ตึกกี่ร้อยชั้นเนะ่ยสามารถดูดขึ้นได้น้ําทั้งทั้งที่มันเป็นของเหลวมันไหลลงมนุษย์สามารถดัดแปลงได้แต่หลักอนิจจังของสังขารหลักทุกขังของสังขารไม่มีใครสามารถดัดแปลงได้ พระพุทธเจ้าท่านก็ดัดแปลงไม่ได้พระองค์จึงสรงตรัสว่าอนัตตาอนัตตานี่แหละอนัตตามันไม่ใช่เราไม่ใช่อัตตาถ้าเป็นเราเราต้องบอกได้เราต้องดัดแปลงได้แต่ด้วยเหตุที่ไม่ใช่เราเราจึงดัดแปลงไม่ได้มันเป็นยังไงมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นเหมือนร่างกายของเราของท่าน่ะมันจะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายเราอยากไหมตัณหาในหัวใจมันอยากอยู่ มันอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายมันได้แต่ยากเฉยๆน่อนะร่างกายมันก็เป็นไปตามเหตุไปเป็นไปตามปัจจัยของมันอย่าลืมว่าร่างกายของเราเป็นสมบัติของใจก็จริงอยู่เราไปอบัติในท้องแม่ การอุบัติเป็นก้อนสังขารน่นนะเป็นก่อนเป็นกองทุกเป็นก้อนทุกทุกอันนี้เกิดขึ้นมาจากเหตุคือสมุทยัยร่างกายของเราเกิดจากสมุทัยคือความอยากจริงไหมเราย้อนไปดูที่ย้อนไปดูในหัวใจของพ่อของแม่ตอนที่ท่านทำการเจริญพันธุ์จนเป็นเหตุให้เราไปอุบัติในท้องแม่ความอยากในใจของพ่อของแม่ไหมอยากในใจของพ่อของแม่ เราปโยอบัตในท้องแม่เพราะตัณหาในใจของเรามันยังมีภพจังมีชาติอยู่แสวงหาพพหายชาติหาไปเกาะลุมกำลังด้วยกันด้วยอำนาจของกัรมีกำลัพอที่จะเกิดด้วยกันจะเข้าไปเกี่ยวข้องกันหรือไปเกิดในท้องแม่มีคุณสมบัติไม่พอจะได้เป็นมนุษย์ก็ไปเข้าท้องสัตว์สัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ช้างม้าวัวควายกระเราะกระแตไปเกิดได้หมด มีคุณสมบัติพอที่จะเป็นมนุษย์แค่พอเป็นมนุษย์เกิดมาแล้วบ้าใบไม้คนรุ่งการอย่างนี้ก็มีเป็นมนุษย์สักแต่ว่าเป็นมนุษย์เฉยๆแต่มันไม่สมบูรณ์เป็นมนุษย์ขั้นกลางๆมีสติมีปัญญาเป็นมนุษย์ระดับอัจฉริยะมนุษย์เราดูแม้แต่มนุษย์มันก็จะแตกตา่างกันไปตามเหตุตามปัจจัยของไข่ของเรานี่คือความอยากความอยากคือตัณหาตัณหาเป็นสมุทยัย เราทิ้งสิ่งเหล่านี้เราจะเข้าใจยากอันนี้เป็นหลักเป็นหลักขอบสัจธรรมที่เราควรเข้าไปรู้เข้าไปเห็นเข้าไปเข้าใจเราศึกษาไว้ระลึกไว้รู้ไว้เป็นกลุ่หมายป้ายาทางทําให้เราได้ข้อปฏิบัติได้แนวปฏิบัติพิจรารณาเพื่อจะเห็นอานิจจังทุกขังนัตตานี่ยแหละพิจรารณาอย่างอื่นมันพิจารณายากพิจรารณากายของเราเนี่แหละดูเราตั้งแต่นี้ย้อนไปจนถึงในท้องแม่ เห็นน้ำใสๆไปเปลี่ยนก้อนสังขารสังขารไม่เคยอยู่เท่าเดิมเปลี่ยนตัวเองไปเรื่อยตัวเองไปเรื่อยเพราะในสังขานั้นมีส่วนผสมสิ่งที่ไม่ใช่กองสังขารสิ่งที่ท่านเรียกสังขารคือพระจิตที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าพระจิตที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้ากับพระอรหันตสาวกมีผู้รู้หนึ่งเดียวไม่เป็นสอกับสิ่งใด และท่านไม่เรียกสังขาร น, นะท่านไม่เรียกสังขารท่านเรียกว่าวิสังขารวิสังขารแปลว่ามันเป็นสิ่งอื่นไปจากกองสังขารวิสังขาร น, นี่เราพูดโยงทำให้เรามองเห็นภาพพจน์ว่าผู้บริสุทธินั้นเป็นสภาพหนึ่งเดียวไม่มีเป็นสองสิ่งสามสิ่งหรือลหลายสิ่งไปรวมกันเมื่อก่อนนั้นพระจิต ของพระสงฆ์สาวกพระอาหารหันต์สาวกของพระพุทธเจา้าก็เป็นกองสังขารเหมือนเราเพราะมีกิเลสตัณหาปนเปื้อนอยู่ในนั้นด้วยเหตุที่พระองค์ชะล้างกิเลสตัณหาซึ่งเป็นกองสังขารเหล่านี้หมดไปจากพระไทยของพระองค์พระไทยจนเหลือแต่พระไทยชีบริทีสุดหนึ่งเดียวยังมีอยู่ในโลกผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรา ผ่งสงผู้ใดเห็นเราคนนั้นเห็นธรรมสภาพธรรมะคือพุท ธ, ธะแท้คือธรรมะที่เราเข้าไปรู้เข้าไปเห็นจิตที่ชำรางเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นจิตที่บริสุทธิ์เรารู้ไปหลวงตาท่านอมเทษให้ฟังในตอนพระพุทธเจ้าท่านปรินิพานเนี่ยท่านเอาพระจิตที่บริสุทธิ์ของพระองค์เน่เข้าฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่เวลาอยู่ในฌานมองเห็น เขาอารูปปัจานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สเวลาในอรูปปัจจานมองเห็นเลยจากนั้นไปไปประทับที่สัญญาเวทยิธนิโรธพระอนุท่าก็มองเห็นเพราะรูปประจานหรือรูปปสมาบัติอรู ป, ปรสมาบัติหรือสัญญาเวทยิธนิโรธท่านว่าเป็นสมมติลงตาท่านแชร์คำว่าเป็นสมมติเป็นสมมติเป็นวิหารธรรมวิหารธรรมคือคุณธรรมที่ฝึกฝนอบรมได้ ไม่ใช่ความเป็นพระอาหารหันต์เวลาไปประทับสิ่งเหล่านั้นพระอนุทธันมองเห็นมองเห็นพระจิตที่บริสุทธิ์ของพระองค์นะของพระรุจเจ้าทีนี้ท่านลงท่านก็ย้อนย้อนมาใหม่ย้อนมาย้อนประทับเจ็ดสิน้นสมควรแก่เวลาแล้วท่านก็ย้อนกลับคืนม า, ารู ป, ปรสมะบัติรูปปัสมาคือรูปปิชาญเสร็จแล้วก็ออกมาพระจิตที่บริสุทธิ์เข้าไปใหม่อีก เข้าชาติที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่อยู่ในชาตไหนนมองเห็นตอนระหว่างที่ไม่อยู่ในชาตจะมองไม่เห็นออกจากชาตที่สี่พระกิตที่บริสุทธิ์ออกจากชาตที่สี่ร อ, อ, อรูปฌานก็ไม่เข้ารูปฌานคือชาตที่สี่ก็ไม่อยู่ตอนนี้พระอนุรุทธะมองไม่เห็นพูดได้อย่างเดียวว่าพระองค์ปัณณิพานแล้วเนี่ย ปุรธที่บริสุทธิ์มีไหมเวลาไปภาคพิงนี่เราเห็นนี่เราพอเชื่อมโยงให้เป็นกรีมให้ป้ายทางว่าพวกเราพุทธังสรนังกฉามิทั้มังสรสรนังกฉามิสังขังสรนังกฉามิระตามไม่ใช่เราว่าอย่างลมๆมแรงแรงเราว่าอย่างมีหลักมีพระพุทธเจา้าเป็นผู้มีความบริสุทธิ์เป็นหลักนอกจากพระพุทธเจา้าแล้วพระสองสาวพระอริยะสาวเต็มไปหมด ที่ท่านบริสุทธิ์หมดจดไปแล้วท่านไม่ได้ไปไหนแต่ท่านไม่มีพบไม่มีพบจำกัดไม่มีอายุของพบนั้นจำกัดดำรงตนอยู่อย่างนั้นแหละท่านว่าตลอดอนันตการคำว่าอนันตการไม่มีการไม่มีระยะไม่มีเวลาเข้าไปเกี่ยวข้องเข้าไปขีดเข้าไปขั้นนี่คือภาวะของผู้รู้ ที่เป็นหนึ่งเดียวไม่ใช่ของสังขารมีอยู่คือภาวะของผู้บริสุทธิ์นั่นเองนอกจากพระจิตที่บริสุทธิ์หรือจิตของพระอาหารหันต์แล้วหมดทั้งไตรโลกธาตุกองสังขารทั้งนั้นแม้แต่พวกเราเจริญพระพุทธมนต์พวกเราสวดมนต์เนี่ย ใครสวดค่อยๆใครสวดกระซิบกระซิใครสวดดังกลางๆใครสวดเสียงลั่นตะโกนเอาตะโกนเอาด้วยความเรื่มเสียงจักรวาลมีอานุภาพแผ่ไปได้อันันตจักรวาลนะสวดกระซิบกระซิบไปได้มื่นจักรวาลสวดเสียงดังปกติธรรมดาไปได้แสนจักรวาลอะไรแผ่ไปได้แสนจักรวาลอะไรแผ่ไปได้อันันตจักรวาล ก็คือธรรมะอนกจริงทุกขังอนัตตาของพระุทธเจ้ามิเ อ, อ๋เราดูไปที่อะไรเราชี้ไปที่อะไรเราชี้ไปที่หลักของธรรมะแม้แต่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแสดงทำไปเมื่อกี้ท่านก็บอกว่าพระพุทธศาสนาไม่ตายพระพุทธศาสนาไม่เสือ่อมเพราะหลักพระพุทธศาสนานั้นคือหลักธรรมชาติถึงแม้ว่าพระพุทธศาสนา คำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีใครมาถือตามมาประพฤติตามมาปฏิบัติตามก็ตามเราที่จะเข้าไปรู้อันนี้อางทุกข์นักตาเพราะไม่มีคนบอกคนสอนมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านว่าธรรมธาตุธรรมติฏฐิธรรมนิยามสภาพธรรมเหล่านี้มีอยู่ประจําโลกแต่ตราบใดไม่มีผู้รู้ออกมาเปิดเผยธรรมเหล่านี้ก็มีอยู่อยู่อย่างนั้นแหละเราไม่รู้เรามาเข้าใจอันนี้คือหลักสัจธรรมของพระพุทธศาสนา ไม่ใช่เป็นการสมมติขึ้นแต่หากเรียกไปตามสัตริยธรรมที่มีอยู่เป็นอยู่นี่เราพูดถึงเราพูดถึงความสงบของจิตเราพูดถึงการเอามาพิจารณาให้เกิดปัญญาอย่าลืมว่าปัญญาจะเกิดในใจของเรานั้นมันจะต้องมีประกายประกายกคาย็คือวิธีที่เราจเจริญให้เกิดขึ้นในหัวใจของเรานั่นเอง กิเลสมันจะเกิดมันก็เกิดจากสัมผัสเกิดจากประกายแห่งการสัมผัสธรรมจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นจากประกายคือความสัมผัสความสัมผัสถ้าเราจะยกตัวอย่างเช่นอย่างหินเหล็กไฟเราต้องการไฟมันจะต้องมีหินมีเหล็กเราดูไปเช็คที่ไฟเช็คข้ามระดับแปลงทํามไหมไฟเช็คมันมีเหล็ก อล็กตรกเป็นน้ำน้นั่นน่ะแล้วมันก็มีหินนะแล้วเวลาไปทีดให้มันสัมผัสกันนั่นน่ะขีดค่อยๆขีดช้าๆมันก็ไม่เป็นต้องชักแอบพอมันสัมผัสกันปั๊บเกิดไฟหินเหล็กไฟนั่นน่ะคือกิริยานี่คนฉลาดเนพอชักไปปั๊บมือมันไปกดปล่อยแกะ แค่มันไฟฟไฟประกายมันไปถูกไฟฟายโชวติดขึ้นมาเลยนี่เราเทียบ ม, มาที่ปัญญาของเราปัญญาของเราเราต้องการไฟหมายความว่าเราต้องการปัญญาเราต้องการปัญญาเราจะต้องใช้อุบายพิจารณาให้เกิดปัญญาให้เห็นปัญญา ก็เหมือนอย่างเขาสีไม้เกิดไฟก็สีไม้สีไม้เกิดไฟถ้าเป็นไม้สดชดชุ่มด้วยยาสียังไงมันก็ไม่เกิดไม้ที่จะสีเกิดเป็นไฟขึ้นมาได้จะต้องเป็นไม้แห้งที่พระพุทธเจ้าท่านทรงเอามาเปรียบเทียบเนี่ยท่านเอามาเปรียบเทียบที่ใจของของพวกเรานะท่านว่าพวกเรายังอยู่คลองเรือนเนี่ยเหมือนไม้สดชุ่มด้วยยาเสียแล้วพวกเราก็อยางบอดโพวกล่าว คำว่าบริโภคกรรมเนี่ยมันไม่ใช่คำหยาบนะรูปเสียงกินรสผลธภัณธรมรมารมณ์ท่านถือว่าเป็นวัตถุ ก, กรรมรวมไปถึงกรรมราคะพวกเรายังบริโภคกรรมเหมือนกับไม้สวดแล้วชุม่มหลวยอย่างแล้วยังไม่พอเอาไปแช่น้ำอีกต้องการนอามาสีให้เกิดไฟเป็นปฏิปักิกับไฟไฟเกิดไม่ได้ท่านว่าเหน็ดเหนื่อยเปล่าเหน็ดเหนื่อยเปล่า เหน็ดเหนื่อยเปล่าหมายความว่าไม่มีวิบากไม่ใช่มีวิบากมีผลเก็บไว้ให้เราอยู่ทำเรื่อยๆทำเนืองๆทำบ่อยๆเก็บสะสมได้อยู่แต่โอกาสที่จะเป็นเปลวไฟขึ้นมามันเป็นไม่ได้เราเอากายออกจากกามเหมือนอย่างเรามาอยู่วันหางจา ก, ล, กลูกผัวหางจากลูกจากผัวจากเมียเรามาอยู่วัน หมายความว่าเราเอากายออกจากกามแต่ถ้าจิตเราลึกคิดในเรื่องกามเหมือนไม้สดชุ่มด้วยยาเอามาเสียเกิดไฟก็ยังลำบากัย น, นั่นแหละยังเน็ดเหนื่อยเปล่านั่นเองการสีไม้ที่แห้งเพื่อให้เกิดไฟนั้นเหมือนกับพวกเราตั้งใจเภาหนาจนจิตได้รับความสนุบ เมื่อจิตของเราได้รับความสงบเหมือนไม้ของเราเป็นไม้แห้งเอาไปเสียเกิดไฟมีโอกาสที่จะเป็นไฟขึ้นมาได้แต่ต้องสีอย่างถูกต้องตามวิธีจิตสงบแล้วก็ตามบางทีเราก็พิจารณาผิดพิจารณาถูกก็มีเหมือนเราสีไม่ถูกวิธีโอกาสที่จะเป็นไฟโอกาสที่จะเป็นเปลวไฟขึ้นมาเป็นไม่ยากเป็นไม่ได้เพราะฉะนั้นพวกเรา ได้เปลี่ยนเพราะพวกเราศึกษาอริยมรรคมีองค์แปดเกี่ยวข้องกับเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเกี่ยวข้องกับเรื่องอริยศาสสิ่งนี้ทำให้เราได้ยินได้ฟังเกี่ยวข้องกับเรื่องหลักปฏิจจสมุปบาทซึ่งเราได้ยินได้ฟังทําให้ศึกษาเปรียบเทียบมาที่ข้างนอกกายของเราข้างในกายของเราข้างนอกใจของเราข้างในใจของเราเราสามารถศึกษาได้ เามีโอกาสทีนี้เราได้เปรียบผู้ที่มีใจสงบคือใจเป็นสมาธิแล้วเนี่ยคือใจออกจากกามใจสำรอกกามใจสงบนี่แหละใจเป็นสมาธินี่แหละเปรียบเส ม, มือนไม้แห้งสามารถเอาไปสีเกินไฟขึ้นมาได้เราเอาจิตที่สงบของเรานี่แหละมาพิจารณาให้เห็นความเป็นไปของสังขารเหล่านี้ เห็นให้เห็นความเป็นไปของกายให้เห็นความเป็นไปของใจเห็นความเป็นไปของกิเลสในกายของกิเลสในใจอพิจารณาให้ให้รู้ให้เห็นความเป็นไปด้วยเหตุที่เราไม่เคยพิจารณาเราก็เลยยึดยึดเพราะความลุ่มหลงลุ่มหลงเพราะเราไม่พิจารณาเราไม่เคยย้อนดูเราเอาจิตที่สงบเหมือนไม้แห้งนี่แหละมาพิจารณาเกิดไฟ เอามาขัดสีกันเพื่อให้เกิดไฟแต่ถ้าหากเรากําลังไม่พอสีสีสีสีแล้วก็หยุดสีสีสีสีแล้วก็หยุดไฟก็เกิดไม่ได้ท่านจึงให้สีอย่างต่อเนื่องสีไม่ยอมหยุดสีไปสีไปสีไปไม่ยอมหยุดสีไม่ยอมหยุดจนมีสัญลักษณ์ของไฟปรากฏเป็นควันขาวๆดำๆ เป็นฐานดำดำเป็นฐานแดงแดงนี่คือสั ญ, ญลักษณ์ไฟปรากฏพอมาถึงตรงนี้แล้วก็ตาม์อ๋อหยุดซะก่อนพอหยุดปั๊บไฟก็อ่อนลงไปแล้วเพราะไฟอันนี้เกิดขึ้นจากการเสียดสีหมายความว่าความเพียรข้างในของเราไม่ต่อเนื่องที่พระพุทธเจ้าท่านเอามาอุปมาอันนี้มาเล่าให้เราฟังมีความหมายสีเดียวสำหรับผู้ตั้งใจปฏิบัติจะทําให้เรารู้จักว่าเราอยู่ในฐานะใด ไม้สดชุ่มด้วยยางแล้วยังแช่อยู่ในน้ำอีกไม้สดชุ่มด้วยยางหรือไม้หมดยางแล้วไม้มันหมดยางเหนียวเป็นไม้แห้งเอามาสีเกิดไฟสีสีสีสีก็หยุดสีสีสีสีเลยก็หยุดคิดได้เลบสีสีสีเลยก็หยุดกับสีต่อเนื่องไม่หยุดจะมีสัญลักษณ์ไฟปรากฏ ที่เห็นฐา น, นำดำๆเห็นฐานแดงๆเคยยัดไม่หยุดที่ว่าครูบาอาจาร ย, ย, ย, ย์ท่านเด่นตายเด่นตายท่านเด่นตายตรงนี้แหละพราเห็นสัญลักษณ์ไฟปรากฏหยุดไม่ได้เคยหยุดมาและเขิดลามและหยุดไม่ได้เอายังได้ขัดจะได้ไม่หยไม่ได้ตายไม่ตาย ไ, ได้เอาเป็นเอาตายใส่ตรงนี้แหลยนี่คือลักษณะสีไม้ให้เกิดไฟจนเกิดเป็นเปลวไฟฟุบขึ้นมา ในระหว่างที่เราเสียดสีนั่นเหมือนกับเราพิจารณาใช้ปัญญาจนได้เหตุได้ผลเกิดผลปรากฏเป็นที่พึงพอใจเหมือนกับเราสีไม้แห้งจนเกิดเป็นเปลวขึ้นมาเป็นปัญญาเป็นปัญญาญาเป็นวิปัสนาเป็นวิปัสนาญาที่เป็นเปลวขึ้นมาให้เราเห็นเรามาดูขอนไม้สองรุ่นที่เราสีกัน เปลวไฟที่มันเกิดขึ้นมามันคนละเรื่องอมันคนละเรื่องเลยเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากแรงเสียดสีสติปัญญาในใจของเรามเช่นเดียวกันทําไงเราจะทําให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจทะลุโปร่ปป ง, ปงไปได้อย่างง่ายได้แม้แต่ภาษาพวกในสมัยครั้งกุศลการบางองค์ก็ฟังง่ายบรรลุง่ายแล้วก็อย่างพระพายะเนี่ยพระพุทธเจ้าแสดงธรรมยังไม่จบหนึ่งคาถาได้บรรลุธรรมแล้ว พาหิยะเธอจงเห็นสัจจะว่าเห็นจงได้ยินสัจจะว่าได้ยินจงได้กลิ่นจงได้รับจงได้สัมผัสสัจจะว่าสัจจะว่าพระพาหิยะทำใจตามพระธรรมเทศนาของพระพุธาาทธเจ้าได้สัจจะว่าเห็นจริงๆยินดีไม่เกิดยินร้ายไม่เกิดสัจจะเห็นสัจจะว่าได้ยินเธอจงเห็นสัจจะว่าเห็นเนีย ด้วยหัวใจของท่านที่ว่ามันเบาบางอย่างเห็นสัจธวรมเห็นสติปัญญามันพร้อมอารมณ์ที่เห็นมันไม่ได้ซึมทราบเข้าไปในหัวใจนะมันไม่ได้ไปหมุนเป็นกองสังขารเป็นกลเ่อนจันทาในหัวใจมันเห็นแล้วกระโดมันเห็นแล้วกระโดดแล้วขาดพร้อมเลยเห็นสักจธว่าเห็นได้ยินสัจธรรมเหินเทศยังไม่จบหนึ่งคาถาได้เป็นพระอาหารพระภัยยะยังไม่ได้บวชด้วยซ้ำไปเขาก็ยังเรียกพระ เพราะไม่มีอ น, นิสงส์ไม่เคยถวายผ้าหลวงปู่ติเจ้าเอฮิพิคุเอหิพิคุไม่มีผ้าลอยม า, าเธอไปสแสวงหาผ้าบางสกุลมาัมากมาตัดมาซักมาเย็บมาย้อมเพื่อที่จะบวชไม่มีผ้าที่จะบวชแต่ท่านเป็นพระอารหันต์แล้วยังจะต้องถือเพศจะต้องมีผ้ามาห่มมาพันทีนี้ท่านก็ไปสแสวงหาผ้าก็ไปเขี่ยผ้าที่กองขยะวัว ยักษ์ศีนีที่เคยเป็นศัตรูบันกับท่านมาเข้าสิงบัววัวแล้วก็ไปชนท่านตายมรณภาพพระรุิเจ้ายังเห็นอยู่คล้ายๆว่าเดินวนบนวนมามาเห็นอา้าวพระพาหิยะถูกวัวชนตายแล้วพระองค์ได้ให้พระเอาไปจัดการศพให้ยังไม่ได้บวชนะแต่ก็เรียกพระในตำนานเขาเรียกพระพระพาหยะพระพาหิยะบรรลุธรรมเร็ว อันนี้เพราะ อ, าอาดีตชาติของท่านเอาเป็นเอาตายมาพอแรงแล้วจะหลุดไม่หลุดจะหลุดไม่หลุดจะได้ไม่ได้จะได้ไม่ได้ในอัตภาพนั้นในที่สุดยังไม่ได้ชีวิตติดสี่มาขาดซก่อนตายซะก่อ น, ตอนแต่จิตมันละเอียดแล้วเราเห็นคนที่เขาง่ายเขาก็มีของเดิมมาเยอะแล้วเราเห็นที่คนที่เขายากของเดิมเขาก็มีน้อย เราดูมาที่บัวสีเหล่าแล้วก็เทียบ ม, มาที่ตัวเราคนเดียวเนี่ยเดี๋ยวนี้ถ้าหากเราเทียบว่าเราเป็นประเภทปะทะปะมะเป็นดอกบัวที่ติดที่ททคโคลที่ต่อมโผล่ขึ้นมานิดหน่อยเจ็จแล้วเราพยายามใช้เรียวแรงของเรายืดขึ้นยืดขึ้นยืดขึ้ น, นจนได้กลางน้ําจากดอกบัวดอกเดียวนี่แหละจะตาชุ่มแฉะแช่เน่าอยู่นั้นอ่ะโผล่ขึ้นมาไม่ได้ อาศัยแรไอาศัยความภากความเพียรความอดความทนความอุตสาห์ยพยายามความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้เกิดไม่ได้เป็นไม่ได้ไไดพยายามยืดตัวเองขึ้นมาให้ได้กลางน้ํายืดจากกลางน้ํามาจนเสมอน้ํายืดจากเสมอน้ํามาจนพลนเป็นอุคติตันอยู่กินสีบา ร, รมีของเราแก่กล้าไม่เท่ากันด้วยเหตุ น, นี้ เรารู้แต่ปัญจะวัตรทีเนี่ยเทศกันแรกได้หนึ่งองพระัญญตโกนธรรมยเทศวันที่สองได้อีกหนึ่งองวันที่สามวันที่สี่วันที่ห้าได้จึงได้ครบทั้งห้าองได้เป็นพระโสะดา บ, บันทั้งห้าองถ้าเราจะเทียบก็คือบา ร, รมีท่านไม่เท่ากันถ้าจะเทียบถ้าจะดูดอกบัวเหมือนดอกบัวที่มันเรียงกันอยูนั้นแหละมันจะไม่เท่ากันเพราะการสั่งสมอบรมมาไม่เท่ากัน บางทีเราเคสังสมอบรมมามากแต่ว่าก็ไปสร้างเรียนสร้างกรรมไปทับถมไปตักรอนไปอะไรแต่ไรสารพัดขึ้นชื่อว่ากรรมสามารถทําให้เราพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงพบฉากติขอเราไปไม่มีจุดจบไม่มีที่จบเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าขนทางที่ยาวที่สุดก็คือวัฏฏะสงสารวัฏฏะสงสารของเราจริ่ไม่ได้เรียนเรื่องการเรื่องถารมเรื่อแล้ววัฏฏะสงสารของเรายืดไปไม่มีที่จบ เกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายสังสารภาพเรียกว่าท่องเที่ยววัดตัวัดตักทองเที่ยวท่องเที่ยวเป็นวัตถิจักเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายไล่เท่าไหร่มันก็ไม่จบน้องตาเท่าไหร่ไล่เท่าไหร่ก็ไม่จบเหมือนมดแดงตักขอบดงไม่มีที่เริ่มต้นไม่มีที่จบตายไปทั้งวันตายจนตายมันก็ไม่มีที่จบ นี่คือวัตตาสงสารทีนี้อคตินกรรมที่พวกเราพุทธบริษัทเราจะอยู่ยังไงเราจะอยู่แบบกิเลสพาธรรมหรือเราจะอยู่แบบธรรมพาธรรมกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากผลรายได้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดถ้าเราอยู่ด้วยศีลธรรม ในกิริยาที่เราประกอบศีลประกอบธรรมมันเป็นธรรมผลรายได้เป็นเรื่องของธรรมธรรมกรรมวิบากธรรมกรรมวิบากพวกเราพุทธบริษัทควรจะอยู่ด้วยธรรมกรรมวิบากแต่ธรรมกรรมมวิบากเนี้ต้องผ ล, ลักดันต้องฉุดตรงร่างกันนะถ้าเราไม่ผ ล, ลักดันถ้าเราไม่ฉุดไม่ลังมันเกิดไม่ได้แต่กกิเลสมันเป็นพลังของธรรมชาติ เราไม่ต้องทํามันเกิดขึ้นเองกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากมันหักพักผันไปของมันเองกิเลสมันเป็นธรรมชาติมันสร้างเนื้อสร้างตัวของมันเองแม้แต่ในขณะที่เราสร้างธรรมเนี่ยเผลอพับมันกระแทกเผลอพับมันก็แทรกมันเป็นคู่แข่งหลวงตาท่านเขียนหนังสือธรรมะคู่แข่งขันธรรมะคู่แข่งขันนี่แหละไอ้เจ้าตัวแข่งขันตัวนี้แหละกิเลสนี่แหละมันแข่งขันธรรม ในขณะที่เราประกอบทําให้เกิดขึ้นเจริญขึ้นหนึ่งวิจัยของเรากิเลสมันก็ตามแสงอยู่นั่นแหละ ท, ที่สรีระธรรมะคู่แข่งขันโอแล้วมันก็แข่งขันไปจนสูงนุ่นๆไปถึงนุ่นโค้งสุดท้ายข้อมันอรหัตธรรมะนั่นแะไปถึงนู่นมันถึงจะหมดนะเป็นพระโสดาก็ยังมีอยู่พระสากาิตา迦พระอนาคขก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นมันไปถึงจะถึงโค้งสุดท้ายอรหัตธรมะนั่นแนะถึงนั้นไปแล้วหมดคู่แข่งขันแล้ว อาถรรพณ์หมดเลยจบแล้วตามไม่ทันแล้วหลุดไม้หลุดมือไปแล้วตามไม่ทันแล้วนี่คือคู่แข่งขันแต่อย่าลืมว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นที่หัวใจของเราเกิดเองตั้งแต่เมื่อไหร่เราก็ไม่รู้เราไม่เคยชัดเคยล้างเคยขัดเคยเก่าถ้าบางคนเคยมาอินทรีย์บรารมีมันก็แก่กล้าเป็นผู้มีบุญดีมีสติดีมีปัญญาดีมีธรรมดี เจริญสมาธิก็ง่ายเจริญธรรมก็ง่ายเรียนหนังสือก็ได้แต่เก่งเพราะสติดีแก่กล้าปัญญาดีบุญบุญเก่าบางคนบุญน้อยไปยังว่าเลยดูไปแล้วเราก็ดูไปที่ดอกบัวสีเหลาหลวงตาท่านเอาดอกบัวสีเหลามาเท่เปรียบเทียบให้เราดูได้ประโยชน์ดูไปที่ใจของเราดวงเดียว เ, ยเหมือนก็อยู่ติดที่ตรงพิโคลนเดียวนี้ตอนนี้ เราพยายามยื้อตัวเองพัฒนาตัวเองขึ้นไปอย่าไปแช่อยู่ให้มันเนา่าเป็นคิดตรงขี้โครนั่งขยับขึ้นมามันก็จะสูงขึ้นเรื่อยสูงขึ้นเรื่อยสูงขึ้นเรื่อยสูง้นเรื่อยในเมื่อเราสร้างเหตุดีสร้างเหตุถูกผลที่ดีผลที่ถูกมันก็เจริญขึ้นเจริญขึ้นเจริญขึ้นจักไม่อยู่เท่าเดิมไม่มีเหตุใดๆประสิทธิผลไม่มีผลใดๆประสิทธิเหตุเราตั้งใจทาเหตุ แต่เราไม่ไม่หวังผลไม่ต้องการผลเราไม่ต้องการได้อยู่แต่ผลยังไงมันก็ต้องมีเหมือนพระโมคคัลลานะท่านฆ่าแม่ท่านต้องการไหมเกิดมาถูกก็ฆ่าห้าร้อยชาติท่านทำไม่ต้องการแต่กรรมมันก็ให้ผลโดยหลักธรรมชาติของมันนี่คือภาวะข้อเท็จจริงของหลักการให้ผลของกรรมมีอยู่ยนี่เป็นอยู่ยนี่เราพยายามยืดพัฒนาตัวเองมากลางน้ําเสมอน้ําพ้นน้ํา คำว่าผลน้ํำหมายความว่าสติปัญญาของเราฉลาดพอฟังอะไรเข้าใจง่ายรู้ง่ายเพียงแต่ท่านยกหัวข้อขึ้นมาเราเข้าใจแล้วยกหัวข้อขึ้นมาครับท่านเข้าใจแล้วแต่เหมือนบัวเสมอน้ํายังจะต้องอธิบายไปรอบสองรอบถ้าบัวอยู่กลางกลางน้ำโอ้จะต้องอธิบายจนปากแฉะปากเปียกกว่าจะรู้จะเข้าใจเพราะฉะนั้นบัวติดคิดต้มคิดโกลน ถ้าไม่ยินดีพอใจที่จะก็ยืดตัวเองขึ้นมาก็จะเน่าเฟะอยู่ตรงนั้นจริงๆนี่เราเทียบมาที่ข้อปฏิบัติพอเป็นอุบายเป็นวิธียุมย่มยิมย้ ม, มเล็ ก, ลกๆน้อยๆจาบเอาเกร็ะยองนุนยองนี้ให้เรารู้ให้เราเข้าใจพูดไปถึงไปจิตที่บริสุทธิ์ซึ่งไม่เรียกว่าเป็นสังขารและพูดถึงความเป็นไปของสังขาร แต่ก็พูดถึงลักษณะอาการของสังขารคืออ น, นิจจังทุกขังอนัตตาที่จะเรียกว่าไตรลักษณ์หรือสามัญลักษณะอันนี้เราต้องดูเพราะสิ่งเหล่านี้มันซ่อนเร้นอยู่กับกองสังขารถ้าเราไม่เห็นอันนี้เราก็ไม่เห็นโทษเราก็ชุ่มแช่หลงกองสังขารอย่นั้นแหละถ้าเราเห็นสิ่งเหล่านี้เสร็จแล้วเราก็จะเริ่มรู้จักสละสละสละตัดกองสังขารเหล่านั้น จนหมดกองสังขารสังขารก็คือสิ่งที่มาเกี่ยวข้องกับจิตของเราพยายามละไปเละไปเรยละไปเร เ, เพราะฉะนั้นการพิจารณาธรรมการเห็นอาจเห็นธรรมนั้นพอเราพิจารณารู้พับเข้าใจพับจิตมันถอยมาจริงๆมันถอนออกม า, ม, ม, ามันไม่ใช่อยู่จิตมันถอนออกมามันไม่แช่อยู่ถ้าเราเทียบไปที่จิตของพระนันธาเนี่ยพอเห็นโทษหมูเพื่อนนินทาอายเหลือเกิน จิตมันถอนจากนางฟ้ามาอยู่กับเนื้อกับตัวการที่เราเห็นโทษจิตมันถอนมาอย่างนี้มันถอนมาถอนมาถอนมาถอนมาถอนมาแล้วมันปล่อยไปหมดละไปหมดจนเหลือจิตหนึ่งเดียวถ้าไม่เห็นทุกเห็นโทษปล่อยไม่ได้ละไม่ได้วางไม่ได้ภาวะที่แท้จริงของการเข้าไปรู้เข้าไปเห็นธรรมต้องขุดต้องคุยต้องค้นเราอยู่หน้า ง, งานเราอยู่หน้า ง, งาน เราจับความรู้สึกของเราความรู้สึกของเราก็คือเวทนาเองเวทนาคือความสุขคือความทุกข์คือความยินดีคือความยินร้ายความยินดีกับความยินร้ายเราดูเราเห็นเรารู้อยู่ว่ามันดีแต่เราไม่ยินดีเราู้รู้อยู่ว่ามันไม่ดีแต่เราไม่ยินร้ายที่สันเิเยกว่าเห็นสักจะว่าเห็นไม่ยินดีไม่ยินร้ายเหมือนอย่างพระพายะ ก็ดูเห็นแบบนี้แหละเอาอะไรไปตั้งกาหนดจดจ่อดูให้เห็นเป็นอย่างนั้นเพื่อที่จะเป็นแบบฝึกสอบฝึกซ้อมเป็นแบบทดสอบแล้วก็เอาสมาธิเอาสติที่แข็งกลา้าเพราะมีสมาธิกนกับสมาธิที่มีสมาธิแข็ง ส, สติที่มีสมาธิก็จะเกื้อนุนซึ่งกันและกันสติสัมปชัญญะเกื้อนุนซึ่งกันและกัน มีสติมีปัญญากรรมกฏจดจอ่ร อ, ดจอรูอยู่กรรมจดจ่ออยู่พิจารณาอะไรละ่ะเราจะพิจารณาอะไรแม้แต่เราจะบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเราจะอยู่กับพุทโธให้จิตมันสงบอยู่กับพุทโธก็ได้เจดมาที่จิตของเราดูกิริยาการของตัณหาที่มันจะพึงแทรกเข้าไปในจิต เพราะฉะนั้นในหลักภาษีปัญฐานท่านจึงให้เราพิจารณากายตามดูกายตามดูเวทนาตามดูจิตตามดูธรรมตามดูอย่างใดอย่างหนึ่งมันถึงกันหมดเพราะผู้ที่ตามดูนั่นคือจิตเอาอะไรเป็นเครื่องกำกับสติธรรมสัมปชัญญะธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมขันติความอดความทนวิริยะอุตสาหะความภาคความเพียรใจเข้าไปเป็นพลังธรรม กำหนดจดจอรู้อย่างนี้แหละถ้าหากไม่ทันมันเกิดความยินร้ายตันหาแท้ถ้าหาเราทันความยินดีไม่เกิดความยินร้ายไม่เกิดตันหาใหม่แท้เราดูความสิ่งต้นเรื่อของตันหาหมายถึงตันหาใหม่ตันหาแท้เข้ามาไม่ได้เมื่อตันหาแท้เข้ามาไม่ได้ปุปปาทานเกิดไม่ได้การที่เราจะซึมซาบเข้าไปยึดเข้าไปเกาะแล้วไปวาดมโนภาพอย่างนั้นอันี้ทำไม่ได้ มันขาดช่วงอุปาทานการที่เข้าไปยึดในสิ่งเหล่านั้นไปยึดไม่ได้เพราะมันมีผู้ทำ ง, งานสว่างโรอยู่มันเป็นอารมณ์ที่เด่นชัดกว่าสิ่งเหล่านี้มันสวมรอยเข้ามาไม่ได้สัญหาแทรกเข้ามาไม่ได้อุปาทานเกิดไม่ได้พบเกิดไม่ได้เราดูพบที่เป็นพบเป็นภูมิที่เราจะได้ไปอุ บ, บัติกับเราดูพบในปัจจุบันทันด่วนในหัวใจของเรา เราต้องการกาแฟตอนนี้เราคิดถึงกาแฟเราต้องการกาแฟเราคิดถึงกาแฟคิดถึงคิดถึงคิดถึงไม่หยุดออกจากนี้ไปต้องไปชงรับต้องไปชงทานแน่นอนเลยนั่นคือเพราะรู้จังไหมนะแซบ ơn, ่บเหลือเกินแซ่บเหลือเกินต้องการกาแฟต้องการกาแฟเน่มันอุ ป, ปาทานนะมันยืดเอาเลยนะมันยือุ ป, ปาทาน สักนหนึลุกอย่างนี้ไปไปโผล่ที่นู่นช่องเลยใส่เข้าไปเลยนาน <c oughs> ยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเราพูดถึงพบถึงชาติของเราก็เช่นเดียวกันมันไปยึดอะไรมันไปเกาะ น, นั่นแหละไปเกาะอะไรมก็ยึดอนั้นยึดอะไรมาเกาะนั้นเกาะอะไรก็ยึดอนนั้นมีตัวสติทำมีตัวสมาธิทำมีตัวปัญญาทมอบรมให้เหนียวแน่นมันของเป็นเครื่องหมายเครื่องมือเสร็จแล้วมันไม่ใช่มันจะมีจุ มีประโยชน์เฉพา ะ, ะคดีธรรมมีประโยชน์ทั้งทางคดีโลกและทา ง, ทงคดีธรรมเพราะมันเป็นการพัฒนาธุกจิจจิตของเราที่ไม่เคยฝึกไม่เคยอบรงไม่เคยสังสมไม่เคยซักไม่เคยฟอกจิตของเราจะเจ้ามองอยู่อย่างนั้นแหละเป็นสนิมเกอะม้อยใจเกรอะกรังอยู่อย่างนั้นแหละแต่ถ้าเราชาักเราล้างเราเริ่มรู้สึกรู้สึกเนื้อรู้สึกตัวว่าคืออะไรเป็นอะไร รู้จักที่ไปที่มาของกายรู้จักความเป็นอยู่ของกายรู้จักความเป็นไปของกายรู้จักความเป็นไปของจิตรู้จักความเป็นมาของจิตรู้จักความเป็นไปของจิตรู้จักวิธีการที่จะไปปรับปรุงแก้ไขจัด ก, การเกี่ยวกับกิเลส่ายในจิตนี่คือเราพัฒนาจิตของเราจิตของเรา็มีจะพัฒ <workshops> <rant> <ale> นาให้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นจนมันทิ้งลอกแล้วก็สนใจในเรื่องธรรมเห็น <liner loans> มาโลกนั้น ยังเป็นเรื่องยากพยายามศึกษาจุกฝนโอรมมาเกี่ยวกับเรื่องของธรรมภายในใจมันมีอยู่เป็นเชื้อใยอยู่ในนั้นามต้อนตามเกาะกันอยู่ในนั่นจนสมามารถสงบครับดับได้การเข้ารู้ธรรมเห็นธรรมถ้าไม่เข้าไปรู้สิ่งเหล่านี้แล้วจะไม่รู้ไม่เห็นอะไรโดยเหตุที่เรายึดเพราะเราไม่รู้เราไม่เห็นเราไม่เคยย้อนไปดู ถ้าเราย้อนไปดูแล้วเราจะเห็นพอเราเห็นแล้วมันเห็นว่ามันเป็นโทษแล้วใครจะไปยึดมันก็ปล่อยเข้ามันี้ไม่ต้องบอกให้ปล่อยครูบาอาจารย์ท่านใช้คำหลายคำแต่ต้องเข้าไปรู้เข้าไปเห็นถึงจะเป็นท่านใช้คาว่าฆ่าเกลีเนี่ยท่านใช้คาว่าละเกลีบท่านใช้คาว่าวางเกลีละเกลีบตัดเลีท่านใช้ยังไงก็ตามแต่ต้องหมายความว่า ต้องเข้าไปรู้เข้าไปเห็นด้วยปัญญาเราเข้าไปเห็นแล้วมันก็ปล่อยเข้ามันเองไม่ต้องบอกให้ปล่อยก็ปล่อยในเมื่อเราเข้าไปเห็นโทษเราก็ปล่อยเองไม่เชื่อเราลองเดินไปเราไปเจอสิ่งปฏิกูลอยู่ขวางทางเราเนี่ยมีทางนี้แล้วก็มีทางนี้มีทางนี้ลองเราเดินไปอีกจ้างอีกไปตรงนี้เราก็ไม่ไปเพราะเราไปเห็นขอปฏิกูลโสโครกเราไปทางที่ไม่มีดีกว่า อันนี้ก็เช่นเดียวกันพอเราไปเห็นทุกเห็นโทษแล้วเราก็ปล่อยเองแล้วก็ละเองแล้วก็วางเองเท่าที่หยิบยกมาให้ฟังสิงละอันพันละน้อยคิดว่าพวกเราก็จะได้อุบายได้วิธีได้ฟังข้อแตกต่างแต่ถ้าหากใครตั้งใจภาวนามาตั้งแต่เริ่มพูดจิตใจให้รับความสงบจิตใจก็จะได้ผ่องใส มีวิบาตมีผลหลงเหลืออยู่ในหัวใจถึงกระนั้นก็ตามถ้ า, าตั้งใจฟังได้บายได้วิธีจับหลักได้จับอะไรได้เพราะมันเหมือนกับที่เราทำมันเหมือนกับที่เราเป็นเงียเราจับได้เราก็ได้กาลังจิตกำลังใจที่จะจับต่อไปที่จะทำต่อไปอถ้าฟื้นนั่งไปงั้นอดไปงั้นทนไปงั้นเมื่อจากอินทรวาน่ อันนิสง์ของการตั้งใจฝืนอดฝืนทนฟังก็มีผลมีอา น, นิสงยุบแต่ถ้าทนภาวนาด้วยใจสงบด้วยใจผ่อนใสฟังเป็นเครื่องประดับสติปัญญาไปแห่งได้ยินได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังโอ้เคยได้ยินได้ฟังมาแล้วเข้าใจมากขึ้นเพิ่มขึ้นโอ้อุบายนี้เราก็ทํามาแล้วเราก็ผ่านมาแล้วเราทำนั้นทํำยุบแน่นี่ผลประโยชน์ของการฟัง อย่าลืมว่าการฟังนั้นมันเป็นการจุดประกายจะเกิดเป็นเปลวจะเกิดเป็นควันจะเกิดเป็นอะไรขึ้นมาได้จะต้องอาศัยประกายประกายนี้สำคัญที่สุดประกายเหมือนกับประกายไฟนั่นแหละไฟเราต้องการไฟแช็คเดี๋ยวไฟแช็แก๊สไปดเองเช็คเดี๋ยวเปิดแก๊สจูเราไม่มีประกายเกิดไม่ได้ปัญญาเกิดไม่ได้ถ้าหากเราไม่กรกดิกพริกแปลงจิตของเราพิจารณาดูอาการย้อนกลับไปย้อนกลับมา เพราะฉะนั้นท่านจึงวางหลักใหญ่ๆพิจารณากายว่าจะมันอยู่กับกายอยู่ยังไงไม่ผิดเพื่อที่จะเข้าไปเห็นลักษณะของสิ่งเหล่านี้อยู่กับเวทนาเรานั่งนานๆเ น, นี่ยเราลองมาอยู่กับเวทนาลองดูเวทนาคือเจ็บคือปวดลองดูลองย้อนลองไปดูไอเวทนากับผู้รู้ของเราอันเดียวกันไหมเราลองย้อนไปดูดิที่เรานั่งนานๆเราเจ็บล้วปวดเนย้อนจากจิตของเราไปดูเวทนา เอาไปแช่อยู่ท่ามกลางเวทนาที่มันกำลังร้อนร้อนปวดปวดอยู่เนี่ยแต่อย่าให้อย่าให้ตัณหามันแทรกเข้าไปนะว่าเราเจ็บเราปวดความรู้สึกว่าเป็นเราปรากฏตัวออกมาให้เรารู้ทันเองถ้าเราไม่ทันเราก็หลงตามมันสวงรอยออกมาตั๊บปเอาไปใช้อย่างอื่นแล้วตัณหามันโผล่ขึ้นมาอัตาตัวตนมันก็โผล่ขึ้นมาการถือเนื้อถือตัวมันก็โผล่ขึ้นมาเดี๋ยวนี้พวกเราวุ่นวายเดือดร้อน กับกิริยาอาการผิวเผินที่มันเกิดนี้เองแต่พระพุทธเจ้าสอนลึกลงไปถึงก้นบึ้งของมันถึงกิริยาอาการของสิ่งเหล่านั้นกิริย า, าการของตัณหาที่เรารู้ไม่ทันมันตามไม่ทันมันสิ่งเหล่านั้นมีความสำคัญเรากำหนดจดจอรู้อยู่อย่างนี้เราเห็นที่ไปที่มาของมันต้องการให้หยุดนิ่งอยู่กับที่เกิดความสงบ สงบบ่อยครั้งข้ามีพลังมีอนุภาพจิตสงบจิตสงบเราฟังเฉยเฉยเราทำยังไม่เป็นมันไม่ได้ชวนให้ทำนะแต่ถ้าเราทำเป็นแล้วมันก็ยิ้มยิ้มช่องมันอิ ม, มออกยิ้มใจมันมั น, ม, นมันติดใจว่า ง, งั้นเออะออยากสนกอยากสนุกอยากสนุกอย่างนั้นบางค น, นทิ้งบ้านมาได้เลยทิ้งทิ้งบ้านทิ้งครอบครัวทิ้งอะไรต่ออะไรมามาหาความสนก ไปเห็นเสนาสนะสงัดเป็นวัดสงัดมีปา่ามีเขามีอะไรสงบสงัดื้อยแหลอุย้ยอยากอยู่อยากบำเพ็ญโอ้มยสงบแ น, นแน่วชุ่มเย็นเน่ยมันชวนให้เราดูดดื่มอย่างนั้นแต่ถ้าเราไม่สนใจเลยมันก็ไม่มีอะไรไม่ได้อะไรแล้วถ้าเราสนใจอย่างนี้มันก็พอจะได้พอจะได้ขยับตัวเองแต่อย่าลืมว่าทุกครั้งที่เราทํา มันต้องมีผลตามมาอย่าไปคิดว่าทําแล้วไม่ได้อะไรทําแล้วไม่ได้อใดนั่งฟังเทศทั้งคืนแล้วคงจะไม่ได้อะไรถ้าหากเป็นอย่างนี้แน่มันไม่ใช่เราดูไปที่เวทนาที่เราพูดถึงเมื่อกี้นะ่ยจอ่อเข้าไปที่เวทนาลงตาท่านให้จ่อไปที่เวทนาแล้วก็จ่อมาที่จิตเห็นเวทนาสักเว่าเวทนาเห็นจิตสักเท่าจิตไม่ให้ตัณหามันแทรกเข้าไปนะถ้าตัณหามันแทรกเข้าไปมันว่า เวทนาเรามันว่าจิตเรามันว่าธรรมเราคำว่าธรรมธรรมธรรมในที่นี้มันรวมไปถึงธรรมอารมณ์ด้วยธรรมอารมณ์ก็สิ่งที่ล่วงไปแล้วที่เรานึกคิดอยู่ในใจจะเรียกว่าธรรมอารมณ์ธรรมารมณ์การพิจารณาธรรมเป็นอารมณ์อย่างหนึ่งก็คือคุณธรรมที่เราทำไปแล้วเกิดขึ้นมีขึ้นที่เราไปประสบพบเห็นว่าเราได้ผล โอ้จิตมีความสง บ, บอย่างนี้โอ้จิตเกิดปัญญารอบรู้อย่างนี้เราก็ ย, ายึดเอายึดเอายึดเอาอันนี้ยึดไม่ได้ท่านจึงให้พิจารณาทำหมายถึงทำส่วนที่เป็นผลด้วยทำที่เป็นผลส่วนใดก็ตามที่ตกค้างหลงเหลืออยู่ในจิตของเรานั่นเป็นของแท้ถ้าหลงเหลืออยู่ในการนึกการคิดของเรามันก็ยังเป็นสัญญาอารมณ์อยู ท่านจึงให้ตาพิจารณาถ้าเราไม่ตามพิจารณาเราหลงเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นวิปลาสวิปลาสนะั่นที่เรียกอะไรวิปลาสอะไรวิปสัสโนวิปสัสโนก็เพราะยึดผลนี่แหละวิปสัสโนยึดผลผลใดๆก็ตามเกิดขึ้นท่านให้รู้สักธรรรู้แล้วก็ปล่อยสักธรรรู้แล้วก็ปล่อยถ้ายึดเป็นวิปสัสโนทันทีแต่จิตที่จะหมุนไปจนถึงขั้นวิปสัสโนนั้นมันไม่ใช่ของง่าย มันเป็นความเพียรที่หมุนไปจ น, จนด้วยเหตุที่เราหลงนี่แหละไปเสียท่าเสียอบายเสียวิธีของตันหาจนได้ยึดอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นเหตุข้องเป็นเหตุคาอยู่นั่นแหละโอ้กว่าจะหลุดจากตรงนั้นจากปอก น, นั้นไปได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันท่านเอาหลักกายเวทนาจิตทำมาให้เราพิจารณาเนจึงตรงแนวต่อสมถะต่อวิปัสสนา ครบสมบูรณ์บริบูรณ์เต็มร้อยท่านเปรียบเสมือนรอยเท้าของช้างซึ่งใหญ่กว่ารอยเท้าของสัตว์ทั้งหลายในป่าธรรมะคําคสอนที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงทั้งหมดจุบขโมดมาลงที่กายที่เวทนาที่จิตที่ธรรมเพราะทั้งสมสถะทั้งวิปัสสนาอยู่ในนั้นหมดเราไปเอาหลักใหญ่ๆมาดูมาพิจารณาดูแล้วก็ดูข้อเทียบเทียงดูข้อความจริงที่เกิดขึ้นมีขึ้น ที่พระองค์ทรงแสดงจนพระองค์พูดถึงอานิสงส์สามารถแสดงอานิสงส์เจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีถ้าใครเจริญต่อเนื่องไปตามนี้ต้องได้อย่างใดอย่างหนึง่งแต่หากคนนั้นหมดอุปธิก็ได้เป็นพาระอรหันต์เจ็ดวันอย่างเร็วที่สุดเจดเดือนเจดปีอย่างช้าที่สุดถ้าจิตดวงนั้นหมดอุปธิคําว่าหมดอุปธิก็คือหมดหมดเพราะหมดชาติ คนนั้นก็เข้าถึงความเป็นพระาราหันถ้ายังมีอุปธิอยู่อย่างต่าได้เป็นพระโสดาบันอย่างสูงได้เป็นพระอนาคามีทำยังไงเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีพวกเราทำกันมาจนหัวดำหัวงองอ่ามันได้ถึงไหนเนี่ยทำยังไงได้ทำยังต่อเนื่องเหมือนอยีทิศอย่างที่ท่านสีไฟสีไม้ให้เกิดไฟสีไม่หยุด พอรู้ไฟกำลังจะติดขึ้ยับเอาเป็นรับตายใส่เข้าไปเลยนอนถึงขั้นนั้นเพระเาะฉะนั้นครูบาอาจารย์แต่ละองค์ท่านจึงว่าเดียนตายเดียนตายเดียนตายตรงนี้แหละอ่าลองไปดูลองไปพิจารณาลองไปหมุนดูคืนนี้ถ้าเผื่อใครไม่นอนนั่งฟังเทศทั้งคืนก็เอาตรงนี้เล ย, เลยดูไายดูย้อนมาดูเวทนาดูจิตดูจิตเนี่ยดูเพื่ออะไร ดูสัหน่อยจะเจอตัวเจ้าตัวจอมันจะโผล่มาโผล่มาที่จิตย้อนจิตไปดูจิตย้อนได้ไหมลองย้อนดูย้อนดูได้หรือไม่ได้พุทธเจ้าท่านให้ย้อนดูการพิจารณาจิตตามหลักอันนี้ท่านให้พิจารณาอารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในจิตไม่ใช่พิจารณาจิตเฉลียดเหมือนอย่างจิตของพระอริยเจ้าไม่ใช่จิตนั้นจิตตัวนี้หมายถึงอารมณ์ที่เกิดกับจิต การพิจารณาอารมณ์ที่เกิดภายในจิตนั้นเท่ากับว่าพิจารณาจิตจิตเกิดราคะถ้า้พิจารณามาที่จิตจิตหายราคะให้พิจารณามาที่จิตจิตเกิดโทสะพิจารณามาที่จิตจิตหายโทสะให้พิจารณาที่จิตสติของเรานี่มีพลังมีอนุภาพมีสมาธิแนบแน่นมั่นคงเข้าไปด้วยสติคมกล้าเป็นปัญญา ย้อนเข้าไปละลายหายหมดย้อนเข้าไปละลายหายหมดลองทําดูที่ลองทําดูที่มันเป็นยังไงเป็นเครื่องไม้เครื่องมืออยู่กับเราสดๆร้อนๆเดี๋ยวนี้ตอนนี้คอยตั้งอกตั้งใจทําดูนี่พยายามพูดให้เราเห็นเป็นปัจจุบันธรรมเพื่อเราได้จับเอามาเป็นเป็นข้อเป็นเป็นข้อปริบัตเป็นข้อปฏิบัติโอ้น่าจะสมควรเก็เวลาแล้วเนี่ยฮะ พูดมาตั้งเท่าไหร่นะทูสองชั่วโมงยี่สี่นาทีตายแล้วตายแล้วตายแล้วไม่เห็นตายนั่งอยู่นี้ก็ดีเหมือนกันอาจารย์สงบท่านให้พวกเราฟังธรรมะหมดทั้งคืนหลวงพ่อก็ได้ช่วยฆ่าเวลาไปหมดทั้งสองชั่วโมงยี่สิบสี่นาทีพอสมควรเกเลาเอวัง เออพูดไปเรื่อยๆไม่ดูนาฬิกาก็ดีนะฮะดูาลาณิกามันจะไม่ยาวเนี่หนีด้วยเหตุที่เราไม่ดูนาฬิกานะช่วยค่าเวลาท่านอานะ <c oughs> อิชิตังปฏิตังตุมหังทิปเมวัสมิชชตุสเพปูเรนตุสังกปาจันโธปณะระโสยัทธะมณิโชธิระโสยทโัทธะ สพีติโยวิวัชันตุสภโรโควินัสสตุมาเตภวัตวันทรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิ ว, วาธนาสีิตสนิทยางุทธาปิายโนจ ต, ตารโรธรรมาวัันติอายุวโนสุขังภาลังลุงพ่อลุองพ่อแล้วตัวแล้วลุมพ่อจะกลับกุฏิแล้ว Yeah. <laughs>